มาจากที่ไหนงมาจากกรุงเทพออยู่แถไหนรอยู่พุทธมณฑลสายงะคอ๋อแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงพอดีเข้าไปที่ในเพจพุทอ๋อเหทุกวันก็เลยอยากมาอ๋ออยากเดมาไม่ถูก มีทุลารายหรือเปล่ามีคถามอะไรหรือเปล่าไม่มีมอ๋อดีดูทุกวันก็เลยอยากเข้ามาอ๋อดีก่นอ น, นดูทุกวัน <c oughs> ดูนอนดูทุกวันเลยอยากเข้ามาแบา า, า น, นีรดูได้อะไรบ้างก็ <c oughs> ได้ทุกอย่าง <c oughs> ได้บุญได้ของฟจานารับต่างสอนอะไร เป็นยังไงก็สบายใจค่ะพอ<า>ะดีขายของค่ะขายก็ส้มตำขายขหัวจุมอะไรเนี้ยอยู่กรุงเทพพ อ, <า>อเก็บน้นเก็อะไรก็ึ้นก็เปิด YouTube ดูทุกวันทำเวลาเปิดร้านกี่โมงอะเปิดร้านสี่โมงเย็นค่ะแล้วปิดกี่โมงปิดเทียงคืนที่หนึ่ง วันนี้ไม่เปิดละวันนี้พอดีหยุดร้านวันจันทร์หยุดสองวันวันจันทร์กับวันอังคาหยุดเป็นประจำ<ม>งี้อะไม่เจ้าค่ะเพื่นก็สออาทิตย์เดือนหนึ่งก็สองครั้งอนะไรอย่างเช่นวัสองวันสามวั น, น, นีช่วงนี้ก็เงียบๆหน่อยก็เลยตั้งอยู่ตรงไหนร้านเป็นตึกแถวหรือว่าเป็นเป็นตึกแถวค่ ะ, อ, ะอยู่ที่สายสองพุทธบุตรนี้ย ใไไกล้ๆกับสวนแสงธรรมแต่ก่อนอยู่จะมีตรงั้นก็จะเป็นมีอาจารย์ประจักษ์ขึ้นมาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้น อ, อมาดูทุกวันเห็นทางทุกวันสบายใจแล้วลูกค้าที่มาซื้อซื้อของนี่มาจากที่ไหนกะคนที่ไหนะลูกค้าที่มากินนะกินสมตำนี่มาจากที่ไหน นั่นเป็นเป็นสำนักงาน น, งงานีเนาาืเป็นโรงงานนั่เป็นไม่เจ้าค่ะเป็นติดถนนใหญ่เจ้าค่ะมีลูกค้าประจำซื้อไปกินหรือว่าม า, มานั่งกินที่ร้านมานั่งกินที่รานซื้อไปกินมีน ไ, ไหมมีเจ้าค่ ะ, ะก็เห็นดูดูทุกวันก็เลยชวนก็แต่ร้ า, าไม่็นอยากมา ก็เลมาแล้วที่จะทำอะไรดีล่แล้วเป็นไงที่เห็นกับที่มานี่เหมือนกันไงที่มาที่มาสบายใจดีใจมากก็ไว่าจะมาไม่ถูกเลวมาไม่ถูกอย่างเดียวค่ะวแล้วไปถามที่ไหนมาบ้างไงทบุกลมป่าไม้ขึ้นไปตรงพระธาตุขึ้นมาเรถามรถตุ๊บรถสแถว เดิบอกมาฉั น, านั่นมาเดินห ล, ลงไปข้างในนู้นก็เป็นธรรมดาไม่เคยเนี่ยคนที่ไม่มีคนนําทางก็ต้องคําทางไปถ้ามีคนนําทางก็ไม่ต้องคำเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้านี่เป็นเหมือนคนนําทาง ถ้าเรามีพระพุทธเจ้านำทางลรวก็ไม่ต้องคำทางไปแต่ตอนนี้เรายังไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นคนนำทางอย่างเต็มที่นำบ้างไม่นำบ้างบางทีก็ชอบคำทางไปเอทางที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ไปก็ชอบไปไนะทางไหนที่ไม่ให้ไปรู้ไหมไม่เดินสุราไม่เล่นการพ น, นัน ไม่เที่ยวกลางคืนไม่ให้คบคนไม่ดีเป็นมิตรไม่ให้เกียดค้านนี่คือทางไม่ดีอย่าไปให้เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไปก็หยุดซะเพราะมันมีแต่จะทำให้เราเสียมันจะไม่ได้ทำให้เราดีแล้วก็อย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดตัวเวนี้อย่าไปพูดปดนี่คือทางที่พุทธเจ้าไม่ให้ไปอยาไปไปแล้วจะเจอแต่ของเสียของดีไม่มีของดีต้องไปทางทำทานไปทางรักษาศีลไปทาง ภาวนาฟังเทศฟังธรรมฟังบ่อยๆแล้วหูตาจะสว่างจะได้รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดีจะได้ไม่ต้องคำทางถ้ามีคนพามานี่ไม่ต้องไปวนเวียนไปที่นู่นที่นี่ไปเสียเวลา ตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้าจะพาเราไปที่มีแต่ความสุขไปที่ไม่มีความทุกข์ถ้าเราเดินตามที่พุทธเจ้าพาเดินเราก็จะไปพบแต่ความสุขพบแต่สิ่งที่ดีที่งามอยากไปไหม เลิกเดิมโซานะถ้าเดิมสรลาอยู่ก็เลิกเดมถ้าเล่นการพรนันก็เลิกเล่นถ้าเที่ยวกลางคืนก็เลิกเที่ยวถ้ามีเพื่อนไม่ดีเช่นเพื่อนชวนไปเที่ยวชวนไปดื่มก็อย่าไปาแล้วก็อยากเกียดค้านเรามี ร่างกายที่สามารถสร้างอะไรได้มากมายอยู่ที่ตัวเราถ้าเราเกียรติค้านเราก็ไม่มีอะไรถ้าเราขยันเราก็จะมีสิ่งต่างต่ถ้าเราขยันทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขยันทำบุญทำทานพอมี อะไรพอจะแบ่งให้คนอื่นได้พอจะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็แบ่งไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแบ่งแต่ถ้ามีควรจะแบ่งเห ม, มือนเราแบ่งสิ่งที่เราแบ่งในเฟ e บุ o กกันในไลน์กันเนี่ยค<ม>าว่าแบ่งก็แปลว่าแชร์ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าแชร์แต่อย่าไปแชร์เรื่องบ้าบอขอแต่ แช่ขนมนมเนยแช่อาหารแชร่ส้มตำวันไหนว่างๆก็ไปเปิดโรงทานว่างก็ได้ยัง ไ, ไ, ไม่มีเงินมากเราก็ทำในสิ่งที่เรามีมีมากมีน้อยก็ทำไปตามกำลังของเราที่ไหนมีงานบุญก็ไปเปิดโรงทาน แจกส้มตาขายส้มตาอย่างเดียวแล้วขายหลายอย่างอาหารบ้านเดิมอยู่ที่ไหนเป็นคนร้อยเยามาอยูุ่เทพนะนออยูุ่เทจูนานขายก็ขายได้กว่าปีเลยสิบกว่าปีได้กลับไปเยี่ยมบ้านรึเปล่าไปบ่อยบ้านลูกอยู่บ้านหมดไฝากอยู่กับแม่เลย ดูจากวัดหลวงปู่ศรีป่ะอยู่ร้อยเอ็ดวัดป่ากรุงที่มีเจดีย์ใหญ่ๆก็ไปดูไปกราบเจดีย์ป่ะเมื่อปีที่แล้วก็ไปใหญ่มากเนี่ยมีคนไปกราบันเยอะไหมมีเยอะเจ้าค่ะข้างบนคือ มีต้องอางานเป็นกปฏิบอยู่ยที่จังหวัดรอยอ็ดเนอะเคยไปอยู่วัดถือศีล ม, มั้งเปล่าไม่เคยเข้าไปไม่วัดอื่นเคยไปเคยไปวัดไปมุงขาวผมขาวถือศีลแปดเคยค่ะกอไปไปที่ไหนบ้างอะ ม, มากก็จะเป็นที่บ้านถ้าเวลามีงานอะไเคยไปทำรงทานทาอะไร เคยนั่งสมาธิไหมเคยกจ้าค่ะเกือนมากจะนั่งตอนสวดมนต์ไห่้ ะ, อะตอนเก็บร้านเสร็จช่วงตีสี่ตีห้าเจ้าค่ะโอ้โห<อ>กเก็บร้านก็ประมาณปีสามตีสี่ีห้า้านปิดตีสามเหรอร้านปิดเพียงคือ คนส่วนใหญ่จะมากินกลางคืนเงน่ยก็ต้องกินเหล้าเลยนะขายทุกอย่างขายุ่กอย่าแล้วเป็นไงคนกินเหล้าเมาแล้วเป็นไงดีไหมก็เหล้าเมาก็ส่วนมากจะไม่ค่อยเท่าไหร่แตเว่ากินที่ที่ร้านมีมีคนเหล้าเมาเหล้าแล้วอาละวาดบ้างไหม คนตอนเด็กก็คงจะเป็นพวกคนขับรถอย่างนั้นใช่ไหมคนที่มันมากินที่ร้านนี่เป็นพวกคนขับรถก็แบบเป็นคนเป็นหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านเลยเป็นหมู่บ้านหมดแล้วก็จะมีรถขึ้นแล้วอยู่ที่ร้านด้วยกันทั้งหมดนี่แหละสี่คนนี่แหละช่วยกันช่วยกันแล้วค่ะเป็นพี่น้องกันนะ แล้วก็พักที่ร้านน่แล้ว ค, คิดว่าจะทํานี้ไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะาว่ต้องขายอย่างนี้ไปเป็นอาชีพเจ้าค่ะเ้วไม่รู้เสกเบื่อบ้างนะไม่รู้จะไปทาอะไราค่ะก็ไปบวชนะไปบวชคงตัดท ง, งอยากจะ บางทีก็คิดนะคะการอยากอยากจะไปแต่ว่าคิดว่าทําไม่ได้จะไปวัดมีได้แค่ปัจจุบันยังถังตัวเองอยู่ในวัดไม่ได้นะครับในวัดไม่ได้เลยยังอยากดูอยากฟังอยากเที่ยวอยู่เนะี <laughs> ่ยไปเรื่อยๆเจ้าค่ะไม่รู้เลยว่า ความอยากเหล่านี้ทําให้เราต้องทุกข์อย่างเงี้ยต้องทํางานถึงดึกดื่นอาจจะนอนได้ก็ตีสี่ทำเพื่ออะไรเพื่อหาเงินใช่ไหมเงินส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกส่วนก็อาไปเที่ยวใช่ไหมส่วนมากไม่ค่อยได้ไปเที่ยวะลยไปก็จะไปไปทำบุญอ่านั่งก็ไปเที่ยวเหมือนกันก็ก็ไปด้วย ไปพักผ่อนหย่อนใจได้ปิดร้านทำงานหนักมาหลายวันได้มีเวลาไปผ่อนคลายบ้างเล้วเสร็จแล้วก็กลับม า, ามันหมุนเป็นเกลียวใหม่หมุนตัวเป็นเกลียวใหม่ ต, ตัวเป็นเกลียวเลยบางทีก็ไปเดือนหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ไปขับไปก็เดือนก็ครั้งสองครั้งวันสองวันเพราะว่าเอ ที่ปิดร้านนี่ไปทําอะไรกันบ้างเวลาปิดร้านเนี่ยร้านไม่นด้ไม่ได้ไปทำแล้นก็ไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาตรงนั้นตรงนี้เพราะวานนี้ก็ไปนอนอยู่ที่เทียนที่ไหนนะ ท, ทะเลทะเลนะะจามเทียนนี่แหละ เพราะว่าได้ตั้งใจมาต้องเปนมาเมื่อหก็เลยต้องนอนพักผ่อนก่อนเพราะว่าง่วานไม่ได้นอนอพอเป็นร้างก็ออกเดินทางเล ย, เยที่สีนะ่มาถึงก็สว่างเลยก็ต้องทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทาหาเงินได้เงินมาก็ไปเอาเงินไปใช้ พอเงินหมดก็มาหาใหม่ก็วนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะ <c oughs> ไม่ไม่ไปไหนสักท <c oughs> ีไม่ไม่ทำแบบพระพุทธเจ้าบ้างเยียหยุดหาเงินหยุดใช้เงิน <c oughs> มาหาธรรมะกันดีกว่า <c oughs> ธรรมะนี่ให้ความสุขมากกว่าเงินทองนะ เราไปเที่ยวเมื่อวานนี้วันนี้มันก็หายไปหมดแล้วแต่ถ้าเรานั่งสมาธิเรารักษาศีลเราจะได้ความสุขที่ยังอยู่ติดกับเราอยู่แเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้เหนื่อยยากถ้าหาก็หาพอมีพอกินก็พอวันหยุดก็ทานจะไปเที่ยวก็ไป อยู่วัดกั น, นวันหยุดสามารถจะไปไปวัดอไปตอนเช้าเมื่อวานนี้ก็ไปที่วัดป่ามณีการอ๋อหลงพาอสาครไหมแม่ไปทบุญก็อยู่ไกลจากที่พุทธมนตรเนี่ยไม่ไกล ะ, ะที่นั่นอยู่ที่นนท บ, บุรีค่ะนนท บ, บุรีคะใกล้กั น, นใกล้ค่ะ ใ, ใ, ใกล้บ้าน มีทาเนเยอะไหมานเยอะย0สิบสี่สิรองค์ครับสี่สิบอกว่าสี่สิบไปใส่บาตรแล้ไปทำกับข้าวไปประวัติ้ะตเ้าตอน้าไปใส่บาตรที่สารานี่แหละเจ้าค่ะธรรมดาท่านไปไปมามาใช่ไหมเจ้าค่ะจะไปที่ไหนก็เจอท่านทุกทีเจอท่าน ท่านมีวัดอยู่ที่เมองการ ด, ด้วยมั้ยมใช่ค่ะแล้วท่านสอนอะไรบ้างว่าบ้าท่านก็สอนสอนทุกอย่างเหมืนนน อ, นอนกันนะคะสอนสอนธรรมะสอนทานก็สอนมาเยอะเหมือนกัน อ, <laughs> อันนี้เป็นน้องสาวเลยอันนี้เป็นหลานหลาน นี่เป็นน้องอะนะหลานเหมือนกันลูกของพี่ชายลูกอันนี้เป็นลูกของพี่ชายใช่อันนี้เป็นหลานของก็มีอะไรอยากจะถามไหมทางบ้านมีคำถามออามาบออ้าอมัยมีสองสองคำถามถามไหม มีทางบ้านเขาว่าติดตามอยู่ตอนนี้เดี๋ยวไม่ต่อไปไม่ต้องมาก็ได้เนี่ยมีไปกันเข้าไปได้ดูทุกวันก็มีโอกาสก็เลยาอยังไงก็จะมาค่ะพระอาจารย์เปิดร้านตอนกี่โมงเนี่ยเปิดสี่โมงสีงเห็นตอนธรรมดาตอนนี้ก็ต้องตื่นน้อยนะเจ้าค่ะตอนนี้ก็ตื่นแล้วจากร้านจากอะไรเอตื่นกี่โมงเที่ยง มาเตยมจัดร้านที่นี่ถ่ายทอดสดทุกวันบ่ายสองโมงก่อนจะเปิดร้านก็เปิดได้รู้ถามมาเลยคำถามจากคุณวรพัทน์เราจะมีเครื่องเตือนใจอะไรว่าเราจะเดินไม่หลงทางทั้งทางโลกและทางธรรมครับก็คำสอนของพระพุทธเจ้า เราต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็ฟังแล้วก็ต้องจดจาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทาอะไรสอนให้ละอะไรเช่นในมงคลรสูตรเนี่ยมีคำสอนอยู่สามสิบดรายการด้วยกันพยายามอ่านมงคลรสูตรแล้วพยายามจดจาไว้ข้อที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สาม ก็คือหนึ่งไม่ให้คบคนพาลสองให้ก้ บ, บัณฑิตสให้บูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งไม่ให้คบคนพาลก็คือคนพาลก็คือคนโง่คนที่ไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเรียกว่าคนพาลคนโง่ ต่อให้จบปริญญาเอกก็ยังเป็นคนผ่านได้ถ้าไม่รู้ผิดรู้ถึงถ้าจบปริญญาเอกยังดื่มสุราอยู่นี่ก็ยังถือว่าเป็นคนพ่านอยู่ยังเป็นคนโง่อยู่ยังไปเข้าบ่อนเข้าบาร์กรณีกรณีที่เขาดื่มสังขาราคาจานนั่นแหละสันไม่สันมันก็ดื่มใช่ไหมที่เพื่อนแบบนี้เยอะมันก็อ้างสันสันสังสันไปอ เ น, นี่ยเรายั ง, ย ง, งโง่อยู่ยังไม่เห็นโทษของสุรานี่คือคนพานอย่าไปดูว่าเขาเรียนจบเปิญญาเอกหรือเป็น ญ, ญาโทเขาเป็นหมอหรือเขาเป็นข้าราชการระดับไหนนะอันนี้ไม่ใช่เป็นตัววัดคนพานหรือคนฉลาดคนฉลาดนี่ต้องไม่ทำบาป ศีลห้าข้อนี้ต้องสะอาดรักษาไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขเป็นการพนันสุลานารีภาชีของพวกนี้เรียก็เป็นของคนพานบัณฑิตไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่คืออย่าหนึ่งอย่าไปคบคนพานถ้าต้องคบก็คบแบบอย่าไปสูงศีลกับเขาคบแบบทำธุระปากฟัง แค่คนมาที่ร้านก็มาซื้อสุลาดื่มก็ปล่อยก็ซื้อดื่มไปแต่เราอย่าไปดื่มกับเขาถ้ายังจําเป็นต้องขายโซลาก็ขายไปอถ้าเขาชวนดื่มก็บไม่ครับขอบคุณครับผมอย่าไปดื่มกับเขาเหมือนเราซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเป็นการพนันไหมครับมันก็เป็นการพนันอยู่ แล้วมันอยู่ที่ว่าจะการพนันแบบแบบหักโหมหรือแบบสบายสบายถ้าแบบสบายแบบเสี่ยงโชคซื้องววละใบสองใบนี้ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเอาแบบหักโหมวันนี้ขายได้เท่าไหร่ก็เอาเงินที่ได้มานี้ไปแทงหวยเพื่อหวังจะได้ถูกจะได้สบาย อันเนี้ยเลยนะมันมันจะเป็นอันตรายการซื้อแล้วถูกกับทุกงวดอันเนี้ยอาามันก็เป็นตรงที่ว่าเราหาเงินบนกองทุกของคนอื่นนะทีแต่เงินนี้มันไม่ได้มาจากการซื้อขายทําการค้าขาย<ม>เงินที่เป็นเงินของคนจนๆด้วยกันที่อยากจะรวยก็เลยเอาเงินนี้มาซื้อหวยกัน ซื้อแล้วถูกอย่เป็นบุญหรือว่าเป็นเป็นบาปเจ้าคะ่ะถูกมันก็ถูกอะ่ะมันก็มันไม่ได้เรียกว่าเป็นบุญหรอกถ้าเป็นบุญมันต้องเป็นเงินที่ได้มาโดยที่สุดจริตโดยที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเงินที่เราได้มานี่คนเสียเขาเดือดร้อนเ<ม><ม>งินแทนที่เขาจะไปซื้อนมให้ลูกกินหรือให้ลูกไปเรียนหนังสือ<ม>เรียนพิเศษ ามาใช้เป็นซื้อหวยกันก็เลยทำให้เป็นเงินที่มันไม่สะอาดเป็นเงินที่มันได้มาบุญกองทุกของคนอื่นไม่เหมือนกับเงินที่เราขายส้มตาเนี่ยอันนี้เป็นเงินสะอาดใช่คนให้เงินเราเขาก็ได้รับความสุขได้รับประโยชน์เขาได้ส้มตาเขาได้อาหารไปกินแต่เงินที่เราได้จากหวยเป็นเงินที่ คนยากคนจนอย่างพวกเราเนี้ยอยากจะรวยกันอยากจะรวยแล้วไปเสียเส่ยงโชคเสี่ยงโชคก็ถ้าไม่เล่นได้ก็จะดีถ้าจะเล่นแบบเพื่อเปิดช่องให้บุญเก่าที่มันอยากจะมาให้เราเนี่มันไม่มีช่องก็เรงไปซื้อใบสองใบแทงตัวสองตัว <Okay. S 2> ถ้าถูกก็ถือว่าอาจจะเป็นบุญเก่าของเรา ให้มันเป็นบุญแบบอื่นดีกว่าให้มันมาทางอื่นดีกว่าขายดิบขายดีดีกว่าขายสวมตามแล้วอพอเปิดปั๊บเนี่ยคนรอเป็นเป็นสิบรอเข้าคิวอย่างเงี้ยให้ได้เงินแบบนี้ดีกว่าอย่าได้เงินมาจากการเล่นการพนันเลยเพราะมันบนเปน็นเงินที่คนคนเขาต้องเดือดร้อน พราะคนที่เลื่นการมานานเสียเงินเสียทองก็บางทีต้องไปขายข้าวขายสมบัติขายบ้านขายที่เห็นนะอยากกอบคนทานคอบบัณฑิตบัณฑิตก็คือคนฉลาดที่เราไปวัดกันนี้ก็เพื่อเราไปหาบัณฑิตบัณฑิตที่ฉลาดที่สุดก็คือพระพุทธเจ้า แล้วก็พระอาหารตัสาวกเรพวกนี้เขาเป็นคนที่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุรู้ผลไปหาเขาเขาก็จะพาเราสอนเราว่าให้ทำความดีให้ทำบุญให้ละบาปอย่าไปทำบาปให้ละอาบายามุขแล้วก็ให้ชำระกิเลสให้หมดไปจากใจ กิเลสปัญหานี้เป็นเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเราพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันมาทุกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสของพวกเรานี่แหละถ้าเราชำลนะกิเลสให้หมดไปจากใจได้ใจเราก็จะไม่ต้องมาเกิดใหม่ใจของเราก็มีแต่ความสุขอยู่ในพระนิพพาน อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับบัณฑิตนี่ีคือข้อที่สองนีข้อที่สาให้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาบูชาที่บุคคลที่มีพระคุณกับเรานั่นแหละคือบุคคลที่เราต้องบูชาเช่นบิดามารดาการบูชาก็มีสองลักษณะอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็กราบ บูชาด้วยการกราบไหว้น้อมน้อม เ, เครื่องสักการะออดอกไม้ทูกเทียนข้าวของอะไรต่างๆเวลาไปหาพ่อหาแม่ก็ซื้อข้าวซื้อของไปให้พ่อให้แม่กราบไหว้พ่อแม่แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่อันนี้เรียกว่าอามิสบูชาแต่พพุทธเจ้าจบอกบูชาที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่ คือปฏิบัติบูชาปฏิบัติก็คือทำตัวทำตามทำตามคาสอนของบิดามารดาบิดามารดาสั่งสอนให้เราทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราควรจะปฏิบัติตามถ้าเป็นสั่งสอนในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้แต่บิบดามารดาไม่ได้สอนสิ่งที่ไม่ดีให้กับลูก ไม่แสอนดิสิ่งที่ดีๆสอนให้ลูกขยันทำมาหากินสอนให้ลูกเป็นคนดีไม่ให้ทำบาปไม่ให้ทำผิดกฎหมายถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของบิดามารดาได้ก็ถือว่าเราได้บูชาพระคุณของบิดามารดาเพราะจะทำให้บิดามารดามีความสุข มีความโล่องอกโล่งใจว่าเออลูกเรานี่มันไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวไม่ต้องไปตายก่อนวัยที่อันควรอนี่คือถ้าเราไปเดิมโซราแล้วไปขับรถนี่พ่อแม่ก็วิตกละเดี๋ยวมันไปชนกันเป็นรถพลิกคว่ำถ้าไม่ตายก็อาจจะพิกลพิการไปตลอดชีวิต ก็ต้องมาเดือดร้อนพ่อแม่ต้องมาเลี้ยงมันใหม่มาเรี่ยงดูกันใหม่แทนที่จะให้พ่อแม่มีความสุขกลับไปสร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่เพราะเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อแม่นะดังนั้นถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณของพ่อแม่ก็ต้องปฏิบัติบูชาทำตามคำสอนของพ่อแม่ในเกี่ยวกเรื่องของ คำถามที่เขาถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเดินไปในทางที่ถูกที่ควรขอให้ศึกษามงคลส8ประการเนของดีๆในพระพุทธศาสนาไม่แชร์กันเลยส่งไปจากเพื่อนยังมั่งในวันนี้นมงคลสาสบดของดีๆ <Okay. S 1> อบแชร์แต่ไอ้เรื่องลามกเชือ่อไอ้เรื่องที่ด่ากันว่ากัน แต่เอเรื่องดีๆที่ผู้เจ้าสอนให้แชร์ไม่แชร์กันธรรมทานไงธรรมชาตินี่เขาแชร์ธรรมะทานแปลว่าแชร์ทานแปลว่าแบ่งปันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแชร์แล้วมันเขามีที่ให้กดไปเจอมงคลสารสิบปก็แชร์ไปเลยแชร์มันทุกวันเลยให้มันเบื่อเลยเ <c oughs> ขาจะเอาเป็นรู้ก็ดีละ รกก็จะเขาอยากจะคบคนพานก็เรื <k <k <k <k <k <k ่องของเขาเขาไม่ชอบคบบัณฑิตก็ช่วยไม่ได้แต่ก็อยากได้ความมงคลเขาก็าต้องควบกับบัณฑิตบัณฑิตก็มีแต่ธรรมะแชร์กันเออแชร์คําสอนของพระเจ้านี่วิเศษจะตายอย่างคุณต่อนี่ตั้งสถานีวิทยุธรรมะเลยเนี่แชร์ธรรมะเนี่ย ตอนนี้ออกอากาศไม่ได้ก็ออกทางอินเทอร์เน็ตไปก่อนชื่ออะไรนะสถานีอ๋อชื่ออลังการกัะครับจารย์พุทธสมาธิกันก็ อ, อยากจะฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ตก็เสิร์ชคำว่าพุทธสมาธิยันเราไ่ไดปิดตอนนี้ปิดตอนนี้เปลนเดีด๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อไปจดโดเมนใหม่ชื่อว่า i love t h a m a radio c o m ไว้เดี๋ยวจะทําสถานีออนไลน์แบบเต็มเต็มรูปแบบอีกครั้งอ่าตอนนี้ปิดอยู่ชั่วคราวนะครับ แล้วทางทาง อ, ออกอากาศนี่ยังมีโอกาสแล้วป่ะมีครับพระอาจารย์แต่ว่าเพราะว่าคลื่งที่เราใช้อยู่ก็ยังว่างอยู่ครับพระอาจารย์แต่ว่ารอจนว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะอนุญาตเนี่ยอนุญาตก็ไม่รู้มีลูกศิษย์พระอาจารย์ใครมีอำนาจบ้างข อ, งของกจะถาน้นอีก สงสัยนี่ยสงสัยก็แต่ไปแล้วเล่ามีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาแล้วเนี่ยบอกไปเลยตอนนี้เยวก็มีบอกไปแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่ใครมีขึ้นใครมีขึ้นว่างอาจจะเมตตาให้แชร์กันก็ได้อันนี้ทุกวันเลยต้องต้องเข้าดูของอาจารย์ทุกวันเลยทุกวันที่เลยได้ดูได้ตลอดเวลาเพราะว่า นอกจากสดแล้วยังมีเก็บไว้เป็นไฟล์ดูได้ถ้าเราไม่ว่างตอนที่ออกสดเราก็เปิดดูตอนหลังก็ได้เพราะไฟล์นี้ก็ยังจะโพสอยู่อ่าข้อที่สองนี้ ค, คำถามจากคุณ น, น้ำมนนะครับ <c oughs> แฟนเป็นผู้ชายค่ะเขาอยากบรรลุธรรมเขาจะเข้าไปหาพระอาจารย์ให้พระอาจารย์แนะนำจะได้ไหมคะ เขานั่งสมาธิปฏิบัติมานานแต่ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นั่งสมาธิจนท้อแต่ก็ปฏิบัติมาตลอดค่ะหลายปีแล้วที่นั่งไม่ได้ผลก็เพราะไม่มีสติหรือก็สติมีกําลังไม่พอสตินี่มีไว้เพื่อสู้กับกิเลสนี่แหละกิเลสมันชอบดึงใจไปคิดไปเที่ยวไปคิดเรื่องราวต่างๆมันก็เลยไม่สงบถ้าอยากจะให้สงบต้องมีสติที่มีกําลังมากกว่ากิเลส ถ้าสติมีกําลังมากกว่าสติก็จะหยุดหยุดใจได้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธินี้ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากๆก่อนเพราะเวลานั่งนี่เหมือนกับกําลังขึ้นไปเวทีแล้วขึ้นไปโชคกันละถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนนี่พอขึ้นไปก็โดนเข้ต่อยสองหมัดก็น็อกละออพอพุทโธได้สองคำก็หายไปละเออี่เราต้องซ้อมพุทโธให้มากมกก่อน ก่อนที่เราจะขึ้นเวทีก่อนที่จะไปนั่งสมาธิเราต้องซ้อมพุโทโธไปเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธเลยแล้วก็ลุกขึ้นไปทําธุระอะไรต่างๆก็พุโทโธไปเรื่อยๆถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดไว้ชั่วคราวพอคิดเสร็จแล้วก็กลับมาหาพุโทโธใหม่ คิดในเรื่องที่จำเป็นเรื่องงานเรื่องการอะไรเนซ้อนพูดโทรไปอ่อนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาไลอ่าปิดซะอันนี้ใช้3 G หรือว่าใช้ Wi-Fi เนี่ยเดี๋ยวมาแชร์ Wi-Fi กับของต่อได้เปล่าใช้ไม่ได้ครับอาจารย์ตัวนี้รหัสครับมีรหัสนี่ยออันนี้จะจะดีเลยสักประมาณสักสองสามวินาทีนะประมาณ6วินาทีออกหกวินาทีอันนี้ภาพแสงดีไหมชัดดีนะ สว่างก็เยอะเลยนะก็้องนี่มันปรับภาพได้นะมันมีกล้องนีถ้า z ู o เข้าไปมันถ้ามันเห็นมืดหน่อยมันจะปรับสว่างเลยก็ได้มันมีซอฟต์แวร์อทำไมนี่เมื่อวานพี่จางพูดถึง iPhone เสร็จมีจองมาแล้วสามเครื่องแล้วพีจางผมบอกถ้าถึงเวลาจริงผมขอเป็นแชร์กันให้เอาให้ไม่เกินจํานวนราคาแล้วกันเพราะถ้าผมรับอสามเครื่องผมไม่รู้จะเอาเงินไปทาอะไรครับก็ได้ก็ก็แชร์กันไปช่วยกันไป มันมีประโยชน์เนี่ยเป็นสื่อธรรมะทำให้ผู้ที่ไม่สามารถที่จะมาได้นี่ยังสามารถติดตามฟังได้เมื่อกี้ตอบปัญหาเรียงข้อที่ถามเมื่อกี้เมื่อกี้ถามอะไรนะ ค, คะนะำถามข้อต่อไปจากคุณมิน ล, ลาดานะครับคนที่ขายสุราก็สร้างบาปใช่ไหมคะเพราะผิดสีหน้าบงเล็บคนดื่มคะ่ะ อับสนับคนหนุ่ให้เขาทําบาปทำบาปคนที่ขายนี่ยังไม่ยังไม่บาปเพราะว่ายังไม่ได้ดื่มถ้าดื่มถึงจะบาปทั้าขายทั้งดื่มนี่บาปเลยใช่อ่าคือขายนี่ยังถือว่าเรียกว่าเป็นไม่เป็นสั ม, มาอาชีพคืออาชีพที่พระเจ้าทรงสอนว่าเป็นอาชีพที่จะไปทําให้ผู้อื่นเขาอเดือดร้อนหรือมีปัญหาถ้าเราไม่ได้ ดืมนี่เรายังไม่บาปยังไม่ผิดศีลหา้าแต่ผิดสามาชีพสามาชีพคืออาชีพที่ไม่ไม่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเช่นขายสุราคนดื่มสุราแล้วก็ไปขับรถชนคนตายหรือว่าขายยายายาฆ่ า, มาแมลงฆ่าสัตว์ต่างๆอันนี้ขายไปแล้วเขาก็ไปฆ่ า, มาแมลงฆ่าสัตว์หรือขายอาวุธขายของที่เอาไปฆ่า อขายขายปืนขายเครื่องเครื่องดักสัตว์ต่างๆเอเพราะว่าเขาไปดักสัตว์มาเพื่อจะอามาฆ่ากินหรือขายสิ่งที่มีชีวิตเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรพวกนี้เพื่อเอาไปฆ่าเพื่ อ, อไปเป็นอาหารอย่างนี้ถ้าเลี้ยงเพื่อเลี้ยงเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงนี่ไม่เป็นไรเช่นเลี้ยงไก่เอาไข่นี่ไม่เป็นไรกินไข่ได้ แต่อย่าไปเลี้ยงไก่เพื่อเอาไปขายเอาไปค่าอาชีพแบบนี้ไม่ควรที่จะทำหรือแม้แต่อาชีพค่ามนุษย์ก็ไม่ควรจะทําอามนุษย์สมัยก่อนก็ก็ค้าทาสกันไปจับคนคนมาขายกันมาเป็นทาสกันอันนี้ก็เป็นอาชีพที่โหดร้ายทารุณขาดความเมตตานี่คืออาชีพที่เราไม่ควรกระทํา ฉนันถามว่าการขายสุรานี่บาปไหมไม่บาปนะเพราะว่าไม่ได้ดื่มถ้าดื่มก็ถึงบาปอเขาจริงดื่มสุาราก็ไม่บาปมากเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่มีสติพอเราดื่มแล้วเราเมาก็จะทําให้เราไม่สามารถรักษาศีลข้ออื่นได้ถ้าดื่มแล้วนอนก็ไม่เป็นไรฉัได้อยากจะดื่มก็ล่ามโซ่วไว้กับเตียง เหนือยก็ต้องพอได้ดื่มแล้วนอนเดินเสร็จแล้วก็นอนหลับไปออย่างนี้ก็ยังไม่บาปาาอาาถ้าอยากจะดื่มก็ <สา S 2> อยากจะดื่มก็มัดมัดโซ่มัดอะไรไว้เออแล้วก็ถึงเวลาเมาเสร็จก็นอนเลยแล้ดืด่มเป็นยามดิคะก็นา ย, ยานอนหลับ <c oughs> ยาแก้เครียดอ บ, บางทีเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอดื่มไปนอยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นวิธีแก้เครียดที่ถูก มันไม่ได้แค่ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ปลายเหตุอพอกินเหลืแล้วมันก็ลืมไปลืมเรื่องเครียดไปมันจะง่วงค่ะถ้าอยากจะแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของความเครียดก็คือความอยากของเราอยากได้อย่างนั้นได้อย่างนี้อยากให้ชีวิตสบายมีความสุขไม่มีปัญหาแล้วเจอปัญหาต่างๆรุมแล้วแก้ไม่ได้อันนี้ก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมา ก็ง่ายนิดเดียวเจอปัญหาก็ก็ปล่อยมันไปแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยอยู่กับมันไปค่ะทำอย่างนี้ใช่ไหมอาจาร์เดี๋ยวก็ตายจากกันไม่ช้าก็เร็วมันไม่ไปก่อนแล้วก็ไปก่อนแล้วเราจะไม่ทุกข์กับปัญหางั้นก็เราอย่าไปยุ่งกับอบายมุขพ่อหนึ่งมันจะทำให้เราเสียเวลา วิธีแก้ปัญหาแทนที่จะเดืมสุราก็นั่งสมาธิซินั่งสมาธิใจสงบก็ลืมเรื่องปัญหาได้เหมือนกัน uh huh. แล้วใจจะสะอาดใจสบาจะสวายแล้วจะไม่ติดติดสุราด้วย uh huh. ถ้าเดืมสุราของหูเครียทขอ ง, งหนูนี่คือนานๆครันน้งจริงๆค่ะอจารย์เพราะไม่ได้ชอบดื่มเป็นทุน uh huh. นี้เหมือนว่าเราก็อยากจะแบบลองดูซิรีแล็กแบบนี้ดูซ มันก็จะเป็นเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งคือมาถังมาใชจัดมากขึ้นเอยเน ม, มาเริ่มรู้ตัวอุย้ยไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกจริงๆชั่วข้าวก็เลยหยุดไปนะคะทําไมไม่มาลองนั่งสมาธิดูหนูนั่งนะะักพาร์หนูมาแล้วแต่ทีนี้ว่าอนั่งไม่ค่อยได้คะ่ะอาจารย์ก็นั่นแหละไม่มีสติไงสติสินทีขึ้นชั่วโมงยี่สิบนาทีสี่สิบนาทีแล้วแต่วันนะคะต้องมันสร้างสติขึ้นมามันพุทโธพุทโธไวเรื่อยๆ <c oughs> แล้วเวลามีปัญหาก็นั่งสมาธิดีกว่าส่วนใหญ่อาศัยสวดมนต์ก็ฟังแทนสวดมนต์ก็เป็นวิธีสร้างสติขึ้นมาเหมือนกันเวลาเราพุโทโธหรือ เ, เราสวดมนต์นี่เราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ก็มีบางนะคะอาจารย์พุทโธมันก็หลุดไปหลุดไปเรื่องเงินเรื่องงานของก็สวดมนต์แทนก็ได้เอาไปที่ไหนละก็สวดมนต์แทนถ้าสวดมนต์แล้วมันอยู่มันไม่ไปก็เอาสวดมนต์ก็ได้ หนูชอบมาสวดมนต์นะคะสวดในทางวัดเย็นเอาเพาเหมือนเหมือนเสียงมันมีพลังก็จะมีได้หลายเสียงถ้าสวดด้วยตัวเองมันเสียงตัวเองคนเดียวก็ไม่มีเลื่อนไปไดีบางทีก็คิดไปละอาศัยเสียงคนอื่นช่วยดันเหมือนบางคนก็ชอบฟังเทศอตัวเองเทศไม่เป็นฟังเทศแล้วก็ใจก็สงบคิดคิดคิดทางธรรมะไม่เป็นก็เลยอาศัยฟังเทศฟังเทศนี่ก็เป็นความคิดเหมือนกัน แต่เป็นความคิดในทางธรรมะพอเราคิดเป็นในทางธรรมะใจเราก็เย็นสบายลืมปัญหาต่างๆได้หรืออาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยถ้าเราเข้าใจเหตุของปัญหาว่าเป็นความอยากของเราเองพอเราเลิกความอยากได้ปัญหาก็จะหายไปปัญหาที่แท้จริงก็คือความเครียดปัญหาข้างนอกไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกปัญหาที่ทําให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับก็คือความเครียดไปเครียดกับเรื่องข้างนอก ถ้าเราปล่อยเรื่องข้างนอกได้เราก็หายเครียดแล้วเราก็จะสงบังั้นต้องมาแก้ที่ใจทำใจให้สงบใจสงบแล้วปัญหาต่างๆถึงแม้ว่ายังจะไม่ได้รับการคลี่คลายก็ไม่ไม่เป็นปัญหากับเราละเรานอนตาหลับละเราใจสงบละปัญหาข้างนอกก็ปล่อยมันไปมันเดี๋ยวมันก็มันก็อยู่ของมันไปอย่างปัญหาเขาวพวิหารเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เด็กดําบันล มันจะมีก็เรื่องของมันถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันไม่เป็นปัญหากับเราหรอกแต่พอเราไปยุ่งกับมันว่าถือว่าเป็นของเราขึ้นม า, ม า, าเมื่อไหร่จะยุ่งขึ้นมาทันทีไม่ต้องไปยุ่งกับปัญหาข้างนอกหรอกมันมีอยู่ของมันมาตลอดเวลาเรามาแก้ปัญหาข้างในด้วยการปล่อยปัญหาข้างนอกถ้าเราปล่อยปัญหาข้างนอกปัญหาข้างในก็จะหายไปอ่าข้อต่อไป พระอาจารย์ครับเมตตาคนทางบ้านเมื่อวานเนี่ยครับพอดีว่าพระอาจารย์ตอบไปช่วงนั้นตักพอดีครับจากคุณเกียงไก่นะครับขอโอกาสท่านพระอาจารย์เมตตาให้คําแนะนําข้อปฏิบัติสําหรับครอบครัวกระผมมีบุตรธิดาสองคนถ้ามีโอกาสบ้านปลายชีวิตอยากบวชในเพศปรญชิตครับก็ได้ตอบไปแล้วว่าการบวชบ้านปลายในชีวิตนี้มันเป็นการล่าชาและอาจจะเป็นการบวชที่ไม่สมบูรณ์แบบ เพราะว่าเราจะมีอายุมากเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของพระได้อย่างเต็มที่แล้ว น, นิสัยของการเป็นค า, า, าราวนี่มันจะฝังลึกเวลาจะมาเปลี่ยนนิสัยให้เป็นพระนี่มันจะยากมันจะนิสัยค า, า, าราว่าติดตัวมาด้วย mm hmm. เช่นเคยมีคนใช้พอมาบวชก็ยังจะหาคนใช้อยู่ เพราะการมาบวชนี่ให้มาพึ่งตัวเองให้หาจทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่พอเคยติดนิสัยเป็นใหญ่เป็นโตมีคนเป็นคนรับใช้อยู่พอมาบวชก็จะมาหาคนมารับใช้มันก็เป็นผิดถึงแม้มันไม่ผิดพระวินัยแต่มันผิดธรรมเนียมของการเป็นพระ พระที่เขามีผู้รับใช้นี้เป็นเพราะว่าเขาบวชมานานเขาเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วมันเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ลูกหาที่จะต้องปนนิบัติครูบาอาจารย์แต่ถ้าเราเป็นพระบวชใหม่แล้วเรามามีคนรับใชน้นี้มันเหมือนกับว่าไปไปแข่งกับครูบาอาจารย์ซึ่งตัวเองควรจะเป็นผู้รับใชผ้ผู้ไม่ใช่มาให้ผู้รับใช้ตัวเองพระผู้น้อยนี้ ต้องมีหน้าที่ปนิบัติกับพระผู้ใหญ่รับใช้พระรับใช้ครูบาอาจารย์ไม่ใช่มาบวชแล้วก็มาจ้างคนนั้นคนนี้มารับใช้มาล้างบาทให้ตนเองมากวาดกุฏิมาถูกุฏิให้ตนเองถ้าเป็นการบวชแบบนี้ก็บวชไม่ได้ประโยชน์เพราะบวชบวชเพื่อกิเลสไม่ได้บวชเพื่อธรรมถ้าบวชเพื่อธรรมนี้ต้องทำเองทุกอย่าง พิ่งตนเองอัตตาหิอั ต, อตนโนนาเถจะมาอ้างว่าโอ้ยผมแก่แล้วผมไม่มีกําลังวังชาแล้วผมไปบินธบาตไม่ได้แล้วหาสายให้พระองค์อื่นก็บิณธบาตแล้วเอาอาหารของพระที่องค์อื่นก็ไปบิณธบาตมาฉันนี่มันก็เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นถ้าบวชแบบนี้มันก็เสียท่านกับตัวเองเสียท่านกับพระาศาสนาก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ทำให้คนอื่นเอาเห็นว่า เ, ออเดี๋ยวเราแก่มาบวช ด, ดีกว่าแก่แล้วไม่มีปัญญาหาเงินหาทองลูกเมียก็ไปกันหมดแล้วเอออย่เราคนเดียวเราไปอยู่วัดดีกว่าไปอาศัยวัดกินอย่างนี้ถ้าบวชแบบนี้ก็อย่าไปบวชถ้าจะบวชต้องพร้อมที่จะเป็นพระตัวอย่างคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้น้อยเวลาบวชนี่เขาให้เป็นผู้น้อยก่อนรับใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่มาบวชปั๊บก็ทำตนเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยถ้าอย่างนี้แล้วไม่ได้มาบวชเพื่อฆ่ากิเลสมาบวชเพื่อมาเลี้ยงกิเลสมาสนับสนุนกิเลสตัณหาเขาถึงไม่นิยมบวชกันในตอนแก่กันส่วนใหญ่ถ้าแก่แล้วเขา เขาเกรงใจเขาเขาเขากลัวว่าจะมาทําบาปมากกว่าทําบุญคนที่เขามีอายุมากแล้วเขาไม่มาบวชกันยกเว้นคนที่มีความแน่ ว, แ น, วแน่ต่อการปฏิบัติสามารถปฏิบัติตัวเองเหมือนพระหนุ่มพระน้อยได้ก็มีแต่น้อยมากพระที่บวชอายุมากแล้วสามารถปฏิบัติตัวเองได้ดีหลวงปู่ขาวนี่ท่านอายุสี่สิบกว่าขึ้นไป นัน่นยังไม่ถือว่ามากยังต่างาคนอยู่ท่านเลิกกับภรรยามีหลวงพ่อหลวงปู่คำตานนี่ได้ยินขาวว่าท่านบวชอายุหกสิบแต่ท่านบวช ด, ด้วยความประพืช ท, ที่ดีไปอยู่ทําตัวเหมือนพระผู้น้อยทําตัวเป็นเหมือนกับพระรูปอื่นที่เพิ่งบวชใหม่ทําหน้าที่ของพระบวชใหม่ทุกอย่าง แล้วท่านก็รู้สึกว่าได้บรรลุธรรมหลวงตาเป็นผู้บวชให้เพอหลวงตาเห็นว่าเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สนับสนุนถ้าอยากจะบวชจริงๆก็ต้องไปให้อยู่วัดที่ให้เขากันกองเราก่อนเชินไปอยู่วัดป่านี้เขาจะไม่ให้บวชก่อนคนแกใ่ให้อยู่เป็นภาคขาวไปก่อน เราดูว่าสามารถที่จะทำหน้าที่ของผ้าขาวทำหน้าที่ของอของคนที่จะมาบวชได้หรือไม่เพราะสมัยนี้การบวชนี้มันถ้าไปบวชวัดที่เขาไม่มีการกั่นกรองนี่เป็นโจรมาบวชก็ได้เป็นใครมาบวชก็ได้เขาไม่สนใจใครอยากจะมาบวชมีเงินจ่ายค่าค่าดอกไม้ทูกเทียนค่าอุปชอาค่าภ้าผู้สวนนี่เขาก็บวชให้แล้ว ก็ไม่ได้สนใจว่าจะมาบวชเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติหรือเปล่าเพราะสมัยนี้มันบวชกันหลายรูปแบบงานศพนี่บางทีบวชเช้าสึบเย็นกันก็มีถ้าไม่บวชให้เขาเดี๋ยวก็ก็ไปขัดใจเจ้าภาพไปขัดใจ ญ, ญาติโยม ง, งั้นแต่ถ้าไปบวชที่วัดปฏิบัติเช่นวัดป่านี้เขาจะไม่เกรงใจ ญ, ญาติโยมเขาจะคัดเลือกคนที่บวชจริงๆว่าถ้าอยากจะบวช ทำตัวให้เป็นนักบวชให้ดูก่อนได้ไหมอันนี้ถ้าอยากจะบวชในบ้านป่าของชีวิตก็ขอให้ไปบวชที่วัดป่าไปหาวัดป่าที่ไหนดีๆแล้วก็ไปขอศึกษาอยู่เป็นภาคขาวไปก่อนจนกว่าครูบาอาจารย์เห็นว่าเหมาะสมะมีคุณสมบัติพร้อมที่บวชได้บวชแล้วไม่เสียบวชแล้วดีอย่างนี้ก็บวชได้ เช่นวัดของสายหลองปู่ชานี่เวลาคนจะไปบวชนึกสึกต้องไปอยู่เป็นภาคขาวก่อนเป็นปีเลยมั้งถึงจะให้บวชพอจะตอบ ค, คำถามาเขาหรือยังคุณต่อพอแล้วครับพระาอาจารย์เดี๋ยวเคาเดี๋ยวขข<อ>เยวขาถามทางนี้กันไปเที่ยวอะไรบ้างก็มาเที่ยวขาจาระ เอามะเอาของมาถวายนะเปลี่ยนเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาบแป๊บหนึ่งก่น <c oughs> อนนี่มาจากคอลานนี้ใช่ไหมวันนี้ผมมาตอนส่ายโมงครับอาจารย์ผมเดินสายใต้สาราเรียบร้อยแล้วตอนนี้สายอยู่ใต้สารานะเล้สาววอนเลยลงไปมุดมา <c oughs> เมื่อเช้านี้มีดีแท็มันเข้ามาทําขึ้นให้หรือเปล่าไหมล่ะ <Okay. S 1> เห็นรถเตกกับอยู่คันนี้แปลว่ามาแล้วอาจารย์มดีขึ้นไหมพักเกณฑ์เหมือนเดิมครับพี่วพวกเราถ้าเบื่ออยากจะไปก็ไปได้นะไม่ได้บังคับให้อยู่แต่แต่อยากจะอยู่ไปเรื่อยๆก็อยู่ได้แล้วก็จะอยู่ที่นี่ถึงสี่โมงเดี๋ยวจะให้ให้พรก่อนเผื่ออยากจะไปเไหนต่อก็จะได้ไปได้ ของไม่ต้องนี้เลยไม่ต้องประทึงเพราะว่ามันมีอาจจะมีของกินของเฉวันนี้คนบนศาลาสิบคนคนชมก็ทางบ้านประมาณสี่ร้อย <400 S 2> วกว่าท่านครับสี่ร้อยกว่าได้ประโยชน์เยอะนะอันนี้มีถ่ายทอดสดนะมีเฟซบุ๊กก็เข้าไปได้บ่ายสองโม ง, ด, งดูอยู่นะถ้าไม่ทันบ่ายก็มันก็เก็บไว้ต่อได้เก็บเป็นไฟล์ไว้ก็ดูเวลาไหนก็ได้ ย้อนหลังดูย้อนหลังได้ไปทั่วโลกเลยคนเดี๋ยวนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียสวีเดนญี่ปุ่นมาเลเซียมีหมด <Yeah. S 1> ให้เขารายงานกา ร, <Yeah. S 1> ก, ารการออกอากาศดู <Yeah. S 1> uh, เดี๋ยวจะให้พรก่อนนะ <Yeah. S 2> ครอยากจะไปไหนมาไหนจะได้ไม่ต้องรอ ที่นี่มีใครอยากจะถามอะไรไห ม, ย, มยังยังไม่มีก็เดี๋ยวให้ทางบ้านก็ถามต่อคำถามข้อต่อไปนะครับแต่คุณปั้นปอนะครับกําหนดพุทโทเป็นประจำแล้วบางครั้งจิตมันสอนเรื่องธรรมะให้เราฟังเวลาต่อมาบางครั้งที่จิตมันสอนเหมือนครูบาอาจารย์เราจะเชื่อจิตได้แค่ไหนหลังจากจิตเลิกคิดสอนก็จะ ก, กาหนดพุทโธต่อ เปล่นถามครับถ้าคำสอนมันไม่ขาดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้แต่เราจะรู้หรือไม่รู้นี่ก็อยู่ที่ว่าเราได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไรดะงนั้นเราก็ต้องหมั่นศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วพอเราได้ยินคำสอนที่อยู่ในใจเราเราจะได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบ ว่าคำสอนที่ในใจเรานี้มันเป็นกิเลสหรือเป็นธรรมกันแน่ถ้าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบเราก็จะไม่รู้เราก็อาจจะหลงผิดเป็นชอบได้เช่นบอกเดื่มสุราไม่เป็นไรเดือมออนิดเดียวไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้อย่างนี้ส่วนใญ่มันจะเริ่มตรงนิดเดียว มมีใครเริ่มทีทั้งขวดหรอ <laughs> ตอนนั้นก็แก้วหนึ่งก่อนเดี๋ยวก็สองแก้วสามแก้วมันก็ขยายไปเรื่อยเดี๋ยวสุดทา้ายก็เอาสั่งทีทั้งขวดเลยเฉนั <laughs> <laughs> ้นขอให้ระวังไว้ความผิดแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยท่านบอกอย่าไปทำมันเพราะมันจะขยายตัวได้เหมือนไฟ ไฟนี้มันเริ่มต้นจากไม่ขีดก้านเล็กๆก้านเดียวเนี่ยแต่มันสามารถลามใบไม่บ้านช่องหมดไปทั้งหลังได้ถ้าเราไม่คอยควบคุมมันไว้ยันทางที่ดีอย่าให้มันติดเลยอย่าให้มันมีไฟเกิดขึ้นเลยการกระทําไม่ดีทั้งหลายนี่พยายามระงับมันไว้พอคิดถึงอย่าทานี่ก็หยุดความคิดนั้นเลยอย่าปล่อยให้มันคิดต่ออย่าไปเถียงกับมันเถียงกับมันเดี๋ยวสู้มันไม่ได้ห เดี๋ยวมันจะเอาธรรมะมาหลอกเรา <c oughs> นะเอ้นอย่าอย่าพอคิดไม่ดีนี่หยุดคิดเลย <c oughs> พุโทโธพุโทโธสวดมนต์ไปเลยเราไม่ดีอันนี้กำลังบอกว่ากำลังจะมาฆ่าเรา <c oughs> ความคิดไม่ดีเนี่ยจะเป็นตัวที่จะมาทาลายเรา <c oughs> ไม่มีอะไรทำลายใจเราได้นอกจากความคิดที่ไม่ดี <c oughs> ใจเรานี้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทำลายไม่ได้ เพราะใจเราไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายแต่ใจเราจะทุกข์เนี่ยก็ทุกข์จากความคิดที่ไม่ดีถึงกับฆ่าตัวตายก็เพราะคิดไม่ดีเลยต้องระวังความคิดที่ไม่ดีพอมันเริ่มคิดนี้ต้องหยุดมันเลยใช้พุทโธพุทโธหยุดไปเลยสวดมนต์ไปเลยแล้วมันจะได้ไม่มาพาเราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีต่างๆ พอมันต้องเริ่มจากการคิดก่อนพอคิดไม่ดีแล้วก็นําไปสู่การพูดการกระทําต่อไปคิดอยากจะเด่นโุลาเดี๋ยวก็ไปที่ร้านก็บอกมีโุลาขายไหมต้องพูดละพอมีก็เอามาขวนหนึ่งเลยนัอาจารย์ภาพสมมติว่ า, าพุโทโธไม่ได้แล้วสวดอิติปิโสเนี่ยดได้อะไรยังบอกให้สวดมวนต์แทนได้ไงเอแต่เราไม่อยู่กับพุโทโธนแล้วหลับไปเลยแล้วตื่นขึ้นมาสวดต่อได้ได้ แต่ทางที่ดีถ้าอยากจะสวดให้เป็นสมาธิก็อย่านอนสวดให้นั่งสวดไปแต่นอนสวดนี่เดี๋ยวมันหลับเพราะมันสบา ย, ยแล้วหลับมันก็ดีแต่มันสู้สมาธิไม่ได้สมาธิดีกว่ามีความสุขมากกว่ามีความสงบมากกว่าพยายามสวดได้แล้วสวดที่ไหนก็ได้ไม่ต้องรอมานั่งที่หน้าห้องพระทางานก็สวดไปกันทะ ทำส้มตามก็สวดไปก็ได้อออย่าไปปรุงแต่งอย่าไปบ่ปบนว่าวันนี้อย่างงู้นอย่างนี้คนนู้นคนนี้เออสวดไปใครจะพูดอะไรใครจะว่าอะไรก็สวดไปแล้วจะได้ลืมจะได้ไม่เอามาคิดหนักอกหนักใจเจยสวดได้ทั้งวันเลยถ้าสวดได้ใจเราจะเบิกบานสดชื่นเพราะจะไม่มีความคิดที่ไม่ดีอยู่ในใจเราแล้วต่อไปเวลา พอไปคิดไม่ดีแล้วก็ใช้การสวดนี่ขับไล่มันไปได้หัดสวดให้มันเป็นนิสัยแล้วมันจะเป็นอาวุธคู่มือเป็นยาคู่มือยาที่จะรักษาโรคใจได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเรียกว่าเป็นธรรมโอสฐพอคิดไม่ดีพอวุ่นวายใจไม่สบายใจสวดไปเลยคือวเวลาสมาธิเนะี่ยพูดรตรไม่ได้หรออินิปิโซนเี่ยได้ไดเออได้เหมือนกับเหมือน ได้แต่อย่าให้เอง เ, เอ็นแล้วหลับเลยเองแล้วหลับแต่มันก็ช่วยไม่ได้ชีวิตของเราทำงานมาเหนื่อยถึงเวลาจะนอนมันก็กหลับถึงต้องหาวิธีวันหยุดวันอะไรที่ไม่ต้องทำงานนั่นแหละมามาฝึกจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะร่างกายจะไม่เหนื่อยจะไม่ง่วงนอน แล้วถ้าถือศีลแปดได้ยิ่งดี่อเพราะจะได้ไม่กินน้อยกินน้อยก็ง่วงน้อยที่ง่วงมากง่วงมากมเพราะกินมากพอาจารย์ขอถามเรื่องศีลแปดค่ะพอดีอาตอนมาบวชถือศีลแปดจะมีแอดทากันแดดน ะ, ะคะถือศีลแปดไหมคะทา อ, อยู่ที่ว่าทาเพื่อรักษาโาครคภัยไข้เจ็บหรือว่าทาเพื่อเอเป็นเครื่องสำอางจุดประสงค์ก็คือ กัวหน้าดาาํอะค่ะแดแน่ใช่หน้าดำเพราะอยากจะรักความสวยความงามใช่ไหมอย่างนี้ก็ผิดเออถ้าถ้าสาหรับรักษาอา่าผิวผิวมันถ้าไม่ได้ทาแล้วมันจะทําให้เจ็บค่าได้ป่วยก็ทาได้ทาป้องกันโรคภัยแข่เจ็บได้แต่ไม่ได้ทาเพื่อป้องกันความไม่สวยงามของหน้าตาหน้าตามันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเหี่ยวต้องย่นอยู่ดี ต้องปล่อยวางอย่าไปยึดติดกับรูปร่างหน้าตามันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงว่าองนั้นช่ไหมไม่ใช่เนี้ยเราจะทุกข์กับมันอ่ะเวลามันเหี่ยวเวลามีสิวมีฝ้าอะไรขึ้นมานี่มันจะไม่สบายใจมันต้องเกิดขึ้นอ่ะเพราะร่างกายมันต้องชรามันต้องแก่อมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของมัน อ, อย่าไปหาความสุขจากรูปร่างหน้าตา ความสุขจากการรักษาศีลจะดีกว่าพราะเราสามารถรักษาได้ทุกวัยแก่เหยิวย่นก็ยังรักษาศีลได้แล้วความสวยงามของเราที่แท้จริงก็สวยที่ศีลไม่ใช่สวยที่รูปร่างหน้าตาคนที่รูปร่างหน้าตาสวยแต่ศีลไม่มีนี่จะเป็นคนที่น่าเกลียดพอพอใครเขาคบค้าสมาคมพอเขารู้ว่าเป็นคนโกหกหลอกลวงเขาก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยลนะ แต่คนที่รูปร่างหน้าตาไม่สวยแต่เป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตนี่อไปอยู่กับใครก็มีแต่คนชอบคนที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยความสวยงามของคนเราที่แท้จริงต้องสวยที่ใจสวยดีศีลธรรมไม่ได้สวยด้วยรูปร่างหน้าตาที่มันจะต้องเกี่ยวมันต้องแก่ลงไปในที่สุดเน้นอย่าไปให้ความสําคัญกับร่างกายมาให้ความสําคับ กับจิตใจมาเสริมความงามของจิตใจด้วยการทําทานรักษาศีลภาวนานี่แหละเป็นเครื่องเสริมความงามดูพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตายไปตั้งสองพันหกว่าปีแล้วความงามของท่านยังไม่จืดจางเลยเราได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังชีวิตของพุทธเจ้าแล้วทําให้เราอยากจะกราบว่าอยากจะอยู่ใกล้ท่านถ้าตอนนี้ท่านยังอยู่ที่อินเดียคงจะมีคนไปกันไปกันทั่วโลกนี่ขนาดท่านไม่อยู่ยังมีกันไปกันเลย แต่ไปดูซากที่ท่านเคยอยู่ท่านนั้นเขาก็พอใจแล้วนี่แหละอำนาจของความสวยงามของจิตใจสวยแบบไม่จืดไม่จางไม่จางไปตามการตามเวลาอาการิโกขอให้เรามาเสริมความงามทางจิตใจกันดีกว่าด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ปองยอมรับว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยง กิดแล้เดี๋ยวก็ต้องแก่ไปเป็นธรรมดาปองได้นิดนึงครัคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ใช่ดดถ้าไม่ปองเราจะทุกข์อาจารย์หลังๆต้องการปฏิบัติธรรมแต่มันเกียดมากเลยค่ะมีอุบายป้องกันความขี้เกียจก็มันคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายที่มันคืบคลานเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆเวลาพอมีพออยากไปทําพอไปนั่งสมาธิปุ๊บ นับเดียวก็หลับเนี่ยค่ะมันหลับง่ายมากเปนก็อย่านั่งสิตอนเดินฝึกสร้างสติขึ้นมาก่อนเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปเลยสี่ห้าชั่วโมงหาที่เดินพุทโธพุทโธไปเดินสวดมนต์ก็ได้เดินพุทโธก็ได้คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วก็ต้องกินให้น้อยๆถ้ามันง่วงมากก็ต้องกินให้น้อยๆถือศีลแปดก็ไม่ต้องกินหลังเที่ยงวันไปแล้วเลือกกินมื้อเดียว แล้วมันจะทำให้เราไม่ง่วงโดยถ้า ง, ง่วงก็ไปเดินในป่าช้าก็ได้ก็ <c oughs> จะหายง่วง <c oughs> มันต้องมันต้องมีมาตรการถึงจะสู้มันได้ถ้าเราจะเอาสบายทั้งกายแล้ปฏิบัติได้ดีนี่มันยากคนที่ปฏิบัติเขาถึงต้องไปหาที่โหดๆอยู่กันที่สบายๆนี่มันเป็นอุปสรรคต่อาการปฏิบัติ บ้านมีพี่เขาเชิญนะคะ ม, มาอยู่บ้านน่นนะคะและะ<ม>้วก็ไปรึกษาว่าต้องบวชไหมอะไรเงยค่ะแม่นะแล้วก็บอกหมอเขาท่อบอกว่าเธอไม่ต้องบวชหรอกเธออยู่อย่างนี้แหละดีกว่าที่จะไปบวชก็เลยสับสน อ, อไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องบวชเนี่ยมันจะเป็นไปเป็นไปการพัฒนาการตามขั้นตอนของมันอย่างสมัยที่เราเริ่มปฏิบัติเราก็ไม่เคยคิดจะบวชเ้วก็ไม่อยากจะบวช แต่พอมันถึงขีดหนึ่งมันอยากจะได้ไปมากกว่านี้ได้มากกว่านี้มันก็รู้ว่าต้องบวชเท่านั้นถึงจะได้มันก็บวชเลยถึงเวลานั้นมันบวช ด, ด้วยความอยากจะบวชแล้วตอนนี้เรายังไม่ไถึงจุดนั้นเราอยากไปคิดถึงมันเลยเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเหมือนกับเราทำมาหากินเนี่ยพอขายดีขายดีเดี๋ยวก็ขยายาสาขาเองอะตอนต้นคุณไปคิดขยายสาขาคุณก็ท้อละไปขยายได้ไงเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใช่ไหม แต่พอคุณทํามาค้าขายมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมันก็จะบังคับให้คุณไปเปิดสาขาเองมันก็หมดจะไปขยายสาขานั่นแหละทางงานทางนี้อยากจะมาปฏิบัติรู้ใจไหมู้ใจงานก็ต้องเลิกงานขยายสาขาหรือมอให้คนอื่นเข้าไปแล้วเราก็พยายามลดปริมาณการทํางานลงให้น้อยในเมื่อเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีเงินมากไปกว่าที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไปหามันทําไม มาหาธรรมกันดีกว่าเอาเวลามาหาธรรมกันดีกว่าเราก็ลดปริมาณการทํางานให้น้อยลงไปขายสาขาไปคดไ้่ะทาจํเราต้องเราต้องเด็ดเดี่ยวต้องเด็ดขาดเราเจะ้าบอกว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาวิยาวะสละอวิยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมถ้าเราไม่ตัดทรัพย์ตัดเรื่องราวต่างๆเราจะไปทางธรรมไม่ได้ เพราะมันจะเป็นอุปสรรคทุกขั้นตอนมีเงินทองก็เป็นอุปสรรคเดี๋ยวไม่สบายก็เป็นอุปสรรคก็ว่าจะขยายสาขาแล้วก็เลยคิดโอ๊ถ้าไปทางนั้นอิงสงศ์ใไม่ได้มาทางนี้แล้วก็เลยเก็ลองถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไร เ, เราจะเอารถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเราจะเอารถแห่งเงินที่มีเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีเงินไม่ใช่จะมีความสงบนะมีเงินทองมันก็วุ่นวายกับการดูแลรักษา วุ่นวายกับการใช้จ่ายมันก็เป็นโทษถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษใช้ไปตามความอยากเดี๋ยวมันก็ไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเพิ่มอีกเห็นต้องพยายามหัดใช้ความมาักน้อยสันโดษมาเป็นตัวกากับชีวิตเรวถามว่าตอนนี้เราพอกินพอใช้หรือยังพอแล้วก็หยุดหาได้แล้ว ชนะใจในเรื่องของความอยากชนะไม่ได้ไงก็ช่วยไม่ได้อย่พระวจนะบอกชนะใครก็สู้ชนะใจเราไม่ได้ก็ต้องไปคิดดูแล้วมันคิดอย่างเดียวไม่พอมันต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วมันได้ผลนี่มันทิ้งทุกอย่างได้หมดบวงทีแล้วมันก็ดูจะดีเลครไปไปมาๆมันคืเครียดนะคะก็ไม่ไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไง ปฏิบัติแบบหยุดหยุดแบบกระต่ายเงี้ยไม่เหมือนเต่าเต่านี่มันมันเดินไปเรื่อยเรื่อยมันไม่หยุดอันนี้วันไหนวันไหนอยากจะทำก็ว่าก็ปฏิบัติพอวันไหนไม่อยากจะทําหรือมีธุระอย่างเงี้ยก็เลิกปฏิบัติไม่รักษาการระดับการปฏิบัติไว้ขึ้นลงเนี่ยพอมันจะมาขึ้นใหม่มันยากพอเคยขึ้นไปแล้วนี่พอบ่ายมันลงมาแล้วจะกลับขึ้นไปใหม่นี่มันก็ยากมันก็เลยทําให้ท้อทําให้ขี้เกียจได้ แต่ถ้าเรารักษาระดับไว้เรื่อยๆให้มันขึ้นไปเรื่อยๆอยเงี้ยมันก็จะมีกําลังจิตกําลังใจเหมือนเต่าเนี่ยมันเดินไปทีละเก้าสองเก้าแต่อย่างน้อยมันรู้ว่ามันมั น, ม น, มน ก, ก้าเก้าไปเรื่อยๆมันไม่มีหยุดทําแบบเต่าหีืการทาแบบกระต่ายคือ <laughs> กาเดินจงกรมหรือสวดมนต์นะคะนอกจากนั้นเราจะปฏิบัติยังไงนะคะให้ให้ใจเราใกล้ชิดแล้วก็ดึงเข้าไปในธรรมะมาถึงเท่าอันไหนเราไม่มีเวลามาปฏิบัติ<ช>นั่งสมาธิมาเดินจงกรมก็เปิดทางธรรมะไปเรื่อยๆอให้มีธรรมะหล่อเลี้ยงคอยเตือนใจสอนใจไม่ให้ทะเลทลอยออกนอกทางถึงแม้ว่ายังไม่ได้ไปก็อย่างน้อยอย่าไปทางอื่นอย่าไปเดี๋ยวเพื่อนมาเชิญไปเที่ยวไปดื่มโซลาก็อย่าไป อย่นี่ถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติได้ก็อ่านหนังสือเปิดเปิดซีดีธรรมะฟังไปเปิด Youtube เปิด Facebook ฟังไปให้มีธรรมะคอยเตือนใจหล่อเลื้องจิตใจเป็นการฆ่าเวลาดีกว่าการที่จะไปดูภา พ, พยนตร์ดีกว่าที่จะไปหาความสุขจากแหลงบันเทิงต่างๆเราต้องพยายามดึงใจว่าอย่าปล่อยให้ไปทางนั้น มาหาความสุขมาผ่อนคลายด้วยการฟังเทศทําธรรมถ้านั่งไม่ได้ก็ฟังเทศทําธรรมไปอ่หานหนังสือธรรมะไปหนูรู้สึกว่าเวลาปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งแล้ว อ, อพอเราหย่อนไปนิดเดียวนี่มันฉุดเรากลับไปอเร็เรว ừ, เลมันง่ายกว่าเยอะเลยค่ะใช่นั้นมันเหมือนปีนเขาไปตั้งนานไปถึงแค่เนี้ย แค่ปีนเขาพอเวลาเราหย่อนมินิเตอรมันฉุดเรามาโผก็มันไหลลงพรวดเลยมันกิ่งลงมาเหมือนคนปีนขึ้นเขาเนี่ยพอพลาดตัดอย่างเงี้ยมันไหลลงไปเลยกาถึงบอกว่าการปฏิบัตินี้มันยากเพราะมันเหมือนกับการปีนขึ้นเขาการไปทําอะไรตามกิเลนี่มันเหมือนเดินลงเขาอะไม่ต้องบังคับมันเลยมันรุดลงไปเลยมันไหลลงไปเลยพอเห็นเขาทีโอยแต่ต้องคิดว่าพอถึงยอดเขาแล้วมันสบายนะ เห็นอะไรรอบไปหมดมีแต่ของวิจิตรพิสดารสวยสดยวดงามถ้าได้ทำแล้วโอ้มันลดแห่งธรรมนะลดทั้งปวงความสุขนี้เหนือความสุขทั้งปวงให้ความคิดถึงผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรมแล้วมันจะทำให้เราไม่ท้อแท้แต่ถ้าจะให้ดีขอให้มันได้ผลบากให้อย่างน้อยให้มันได้เห็นหนังตัวอย่างก็ยังดี ถ้าให้มันสงบพับแวบเดียวก็ยังดีให้มันสง บ, บ, บ เ, งสงเพียงครั้งเดียวสั้นๆไม่กี่วินาทีเนี่ยมันจะรู้สึกเปิดประตูให้เราเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเราเห็นอย่างนี้ครั้งเดียวรับรองได้ว่าเราจะสามารถที่จะทิ้งทุกอย่างได้แต่ถ้าเรายังไม่เห็นอันนี้เราก็ต้องอาศัยคนที่เขาเห็นก่อนอาศัยการบอกเล่าของเขาว่าเออจะต้องเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้เราขอยเราพยายามทําไปเถอด ตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวสติเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิอะไรไม่ได้เราก็พยายามวควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังทําอะไรก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับงานเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องคน น, ค น, น, นั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ยังปฏิบัติได้อยู่ตัวนี้สําคัญที่สุดถ้ามีสติแลว้วเวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้ ถ้าไม่มีสตินี่นั่งไปนานเท่าไหร่ก็ไม่สงบแล้วมันจะท้อเอ็นพยายามสร้างสติทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยลืมตาขึ้นมาถ้าพุดโธได้ก็พูดโธพุดโธไม่ได้ก็เฝ้าดูการกระทาของร่างกายล้างหน้าแปรงฟันอาบน้าก็ให้อยู่กับงานที่เรากาลังทาอยู่อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้เ็เรียกว่าเรากาลังปฏิบัติแล้วเรากาลังเจริญสติแล้ว พอเรามีสติแล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็นั่งหลับตาห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีเทนเราทำงานอยู่แล้วพอมีเวลาว่างไม่มีอะไรให้ทำช่วงนั้นก็นั่งหลับตาไปเข้าห้องไปถ้ามีห้องทางานไม่มีห้องทํางานก็เข้าห้องน้ำไปแต่นั่งในห้องน้ำก็ได้ไม่มีใครมารบกวน มันจะหยุดได้ถ้าเรามีสติเราหยุดมันได้ถ้าไม่หยุดไม่ได้แสดงสติเรามีกําลังไม่พอเราก็อาจจะใช้การสวดมนต์ไปใช้พุทโธไปเพิ่มกําลังสติขึ้นมาดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธแล้ว เ, เดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปถ้าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธมันก็จะยิ่งโกรธอยู่เรื่อยๆบางทีเข้าด่าเราทั้งนายน่้เช้านี่แล้วเราคิดตอนนี้เราก็ยังโกรธเขาอยู่ทั้งทงี่เหตุการณ์มันผ่านไปนานแนละ้ว ถ้าเราไปคิดปั๊บเราก็ดึงมันกลับมาที่ปัจจุบันอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ถ้ามันไม่มาก็ใช้พุทโธช่วยอีกอันก็ได้พุทโธพุทโธหรือใช้สวดมนต์ก็ได้วิธีไหนที่ทําให้ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธได้ก็ทําไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติอ่แตการปฏิบัติมันมีสองขัง้นไงปฏิบัติเพื่อรักษากับปฏิบัติเพื่อเพิ่มพลัง เวลาเราไปนั่งสมาธิไปอยู่คนเดียวนี่เหมือนกับไปเพิ่มพลังแต่เวลาเราออกมาทำงานมาพบกับอารมณ์ต่างๆนี้เราปฏิบัติเพื่อรักษาเพื่อไม่ให้ใจเราถูกอารมณ์ต่างๆมามาบีบคั้นมากดดันมาสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเรามันก็มีสองลักษณะถ้าเราไม่ไปเพิ่มพลังมันก็จะอยู่ในจุดเดิมมันก็จะทำได้เท่านี้แต่ถ้าเราไปปีกวิเวกบ่อยๆไปเพิ่มพลัง เวลาเรากลับมานี่เราจะมีกำลังมากขึ้นที่จะสู้กับอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นอารมณ์จะน้อยลงไปแน้วมันต้องทำทั้งสองอย่างคนที่เข้าไปปีกวิเวกันก็เพื่อไปสร้างสร้างพลังของจิตขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติหกปีนี่ไปสร้างพลังจิตเราได้พลังจิตเต็มร้อแล้วทีนี้ไม่ต้องปฏิบัติแล้วสามารถที่จะเอามา อยู่กับใครที่ไหนตอสุขพบอรรปบกับเหตุการณ์ต่างๆนี้ท่านใจของท่านที่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆเพราะใจมีพลังมากสามารถอยู่เหนือเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ถูกกิเลสหลอกให้ไปคุกคีไปยึดไปติดไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือลักษณะถ้าวันไหนเรามีเวลาว่างนั่งปฏิบัตินั่นถือว่าเรากำลังเสริมสร้างพลัง แต่เวลาไหนแล้วไม่มีเราใช้สติใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆที่มาลุกลมแล้วจิตใจก็ถือว่าเป็นการคอยรักษาใจของเราก็บางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้แล้วแต่ว่าเรื่องมันมันแรงหรือไม่แรงเรื่องไหนแรงแรงบางทีก็อดร้องไห้ไม่ได้แสดงว่ารักษาไม่อยู่แต่เรื่องไหนมันไม่แรงก็อะพอเกิดปั๊บก็หายไปใครพูดอะไรไม่พอใจอะช่างมัน แล้วก็ผ่านไปงั้นก็ต้องพยายามทําทั้งสองรูปแบบสติสําคัญที่สุดสตินี้เป็นอาวุธคู่มือที่เราควรจะไม่ให้อยู่ห่างกายจากใจเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็หยิบเอาสติมาพกก่อนเลยขึ้นมาปั๊บก็พุโทโธเลยเริ่เฝ้าดูร่างกายว่าตอนนี้กําลังอยู่ในท่าไหนากําลังนอนกําลังลุกกําลังยืนกําลังทําอะไรก็เฝ้ามันไปดูมันไปแล้วเราจะมีอาวุธคอย ค อ, คอยปกป้องรักษาใจและเป็นอาวุธที่จะสนับสนุนให้เรามีพลังเพิ่มมากขึ้นเวลาที่เราไปนั่งสมาธิเอาใจนะมีอีกไหมมีคำถามอีกไหมห้ืยห อ, อยังคาว่าจะไป <c oughs> ไปไ ป, ไปเข้าขอคอร์สโคอาค่ะอาจารย์อันนั้นก็ดีก็ไปเหมเือนกับไปเพิ่มพลังเลยไปยนั่นเขาบางขังคับมาให้คุยกันการไม่คุยกันจะได้ไม่คิดไง เพราะการคิดนต้การจะคุยกันมันต้องคิดพอไม่ให้คุยกันมันก็ไม่คิดหรือคิดน้อยเพราะมันไม่ได้คุยคนะก็เป็นการเจริญสติด้วยการควบคุมความคิดคือไม่ให้คุกคีกันไงการผู้ปฏิบัตินี้จะทำใจให้คิดน้อยให้หยุดความคิดได้ต้องอยู่คนเดียวที่เขามาปฏิบัติมูมันอยู่คนเดียวไม่ได้ ก็เลยบังคับ <le> ว <alright> ่าเวลามาอยู่ร่วมกันก็ให้เหมือนกับอยู่คนเดียวอย่าให้คุยกันทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้มีสติอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่กำลังเดินจงกรมก็ให้มีสติอยู่การเดินจงกรมเวลานั่งก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนวิธีที่ไปปฏิบัติคือคือหนูเคยไปครั้งนึงแล้วค่ะท่านผู้อิาทีนี้แก้ต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะให้ดูจิตว่าจิตมันอยู่ตรงไหนว่าเราขึ้นโล่งอะไรเนี่ยค่ะ เนี่ยมันคือจิตวิ่งอย่างนี้เหรอคะมันคืออะไรคะอาจารย์จิตเรามันไปได้ทุกลอบจากกวางไงไปโคราชไปที่ร้านก็ได้ไปที่ร้านอาหารก็ได้แล้วแต่มันจะไปถ้ามันไปในทางที่ไม่ดีเราควรจะใช้สติดึงมันกลับมาคือเขาให้เขาอมองร่างกายแล้วก็ไปคือให้เขามองร่างกายเขาไปที่ขาแล้วก็ขึ้นมาที่แขนอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะออคือคือเราก็มองเห็นอยู่แนละ้วมันก็รู้สึก ควาจริงมันมันไม่มีประโยชน์อ่ะควรจะดูว่ามันไปทำอะไรดีกว่าไปหาไปหาไปไปทาตามกิเลสหรือไปไปทำตามธรรมะดีกว่าเช่นถ้ามันไปตามความอยากก็ดึงมันกลับมาไอเรื่องมันยิบเย็บอย่างนี้เรื่องของมันไม่ไม่ไม่ไม่ให้เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือเรื่องที่ว่ามันไปเกิดกิเลสขึ้นมาไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไป ออย่างนั้นยึมมันได้ไหมดีกว่าส่วนมันจะขึ้นลงในร่างกายแล้วมันไม่ไม่สําคัญอะไรหรอกแต่คุณกลัวมันมันผิดหรือเปล่าคะคือทำถูกแล้วใช่ไหมคะที่เราไปเห็นอะไรที่มันยิบยิบไปเนี่ยคะเห็นแล้วมันมีมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีเราไปเห็นมันทําไมเห็นตัวที่มันเป็นปัญหาไม่ดีกว่าตัวที่อยากจะกินเหล้านี้ไม่ดีกว่าอ ไปดูไอ้ตัวที่ไม่มีปัญหาไปดูมันทำไมนอกจากว่ามันปวดตอนนั้นเราใจมีปัญหากับมันอันนี้ต้องแก้แล้วแค่มันเจ็บมันปวดแล้วอยากจะให้มันหายพออยากเราเกิดความเครียดขึ้นมาก็ต้องมาแก้ความเครียดใว่ไหมอย่าไปอยากให้มันหายเราสั่งมันให้มันหายได้หรือเปล่าเออถ้าสั่งไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปของมันเดี๋ยวมันหายเองทุกอย่างมันไม่เที่ยง แต่มันเป็นอนัตตามันเป็นของที่เราไปบังคับมันไม่ได้มันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเดี๋ยวแผลหายมันก็หายเจ็บเองแต่ไปอยากให้มันหายหรือไปโมโหตัวเองมาเดินไปเหยียบข้าวของอะไรขึ้นมาแล้วไปไปสร้างความโกรธให้กับตัวเองขึ้นมาไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมเป็นมาแก้ตรงนี้แก้ปัญหาใจเวลาใจไปมีมีปัญหากับร่างกายหรือมีปัญหากับใครก็ตามให้ดึงใจกลับมาให้ปล่อยวางสิ่งที่กําลังมีปัญหาอยู่ ปล่อยวางเพราะว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อันนี้คือการการดูใจเพื่อที่จะรักษาใจให้สงบรักษาใจไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆด้วยการเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เราไปยุ่งเกี่ยวด้วยนี้มันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไปถ้าเราบังคับไม่ได้คุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปไม่งั้นเราจะเครียดไปกับมัน เ็อยากจะให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราแล้ว เ, เ, เ, เราต้องมาแก้ตัวนี้ตัวความอยากเวลาเกิดความอยากกับเรื่องใดแ้วต้องมาหยุดความอยากถึงให้ดูไงดูว่ามันไปยุ่งกับเรื่องอะไรหรือเปล่าถ้ามันไม่ยุ่งมันเฉยๆก็โอเคเดี๋ยวตอนนี้เสียงดังถ้าอยากให้เสียงหายก็จะเครียดขึ้นมาแล้วแต่ถ้ามันไม่อยากให้มันหายมันอยากจะดังก็ปล่อยมันดังไปล้วก็คุยของเราไป มันก็ไม่มีปัญหาต่างมาโอเคเป็นงจะตัดหรือยังนี่ชั่วโมงยี่สิบแล้วหรือตัดไปแล้วหัวหนึ่งยังไม่ได้ตัดครับ่จางตัดก่อนนี้ยอ่าพอเดี๋ยวหรือจะไปให้เขาตัดด้วยตอนนู้นมตัดเองดีกว่าครับพี่จางตัดช่วงสองต่อนะครับอยู่ต่อก็ได้นะอยากจะไปก็ได้ไม่ได้รกดพดีเข้ามานานแล้วเข้ามานั้งแต่สองโมง อยากจะฟังก็อยู่ได้หรืออยาไปฟังในรถก็ได้เนี่ยนี้อยู่ที่ไหนก็ฟังได้อ่าิดได้นะหนังสือซ <c oughs> ีดีท้งนี้มามทีหลังมีทัร์อะไรเปล่ามีทัวร์อะไรปล่า <c oughs> มานี่ <c oughs> มาจากที่ไหนมาจากัทยาค่ะเคยมาหรือเปล่าเคยมาเคยมาอ่า <c oughs> แต่เคยใส่บางครั้งกันที่บ้าอำเภอนี้ยแหละใส่บ่อยค่ะเจ๋งทางหลายครั้งหลายรอบก็อธิษฐานในใจเหมือนพระอาจารย์รู้ใจตลอดก็เลยตามพระอาจารย์เลยค่ะอ่าวันนี้มีอะไรเจาะจงไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์ได้ตอบไปหมดแล้วค่ะอไม่ขีดไม่เดียวจุด เล็กนิดเดียวแต่มันไม่ทั้งบ้านได้ใช <c oughs> ่อาจารย์ตอบลูกไรแล้วค่ะเอามาระวังความคิดที่ไม่ดีนะอย่าปล่อยให้มันกำเริบเสริบสานขึ้นมาเดี๋ <Okay. S 1> ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ <c oughs> เอาธรรมะมาดับมันถ้าโกรธใครก็ให้อภัยเข้าไปคือถือว่าเป็นกรรมของเราที่ต้องมารับใช้กรรมต้องมาเจอของแ่บนี้แล้วของพระอาจารย์คะแล้ว หมดว่าเขาสวดมนต์หรื่องมนต์ดำหรืออะไรจะไม่สามารถแต่ต้องเราได้เด็ดขาดถ้าเราไม่ได้แล้วเราไม่มีใครทําใครได้นอกจากตัวเองทําตัวเองนั่นแหละงั้นใครก็จะทําอะไรล้วก็เขาทําได้อย่างมากก็แค่ร่างกายเราแต่ใจเรานี่ไม่มีใครทําร้ายทําลายเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าเรามีสติมีปรรัญญาแล้วเราจะสงบได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะเขาจะทำก็ทำได้แค่ร่างกายเราเอามีดมาฟันมาแทงก็ฟันได้ที่ร่างกายแต่ถ้าใจมีธรรมะแล้วใจจะไม่ทุกข์กับร่างกายใจจะปล่อยวางร่างกายได้เพราะร่างกายนี้ในที่สุดมันก็ต้องตายไป<ม> ใ, ใจจะไม่หวั่นไหวจะไม่มีตกกังวลกับมนดำมนแดงมนเขียวมนอะไรทั้งนั้นมันไม่สามารถมาทำ ทำใจให้เราทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองทําใจของเราให้ทุกข์ได้ด้วยความกลัวด้วยความหลงหลงไปคิดว่าเขาทาเราก็เลยกลัวเอเขาทําให้ทําเราก็ตายอยู่ดีล่ะใช่ไอมให้คิดอย่างนี้แนละ้วจะสบายใจเราทำยังได้อย่างมากก็แค่ค่าเราท่านเองเหือนที่ท่านสอนว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วที่เขายังไม่ด่าเรา ถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาดูแลร่างกายนี้ต้องเลี้ยงจากเลี้ยงท้องต้องวุ่นวายกับร่างกายนี้มาทุกวันทุกคืนไม่มีร่างกายแล้วสบายต้องคิดดูเลยเพราะพระพุทธเจ้าบอกร่างกายนี้เป็นภาระอันหนักยิ่ง ยังต้องหายใจทุกทุกนาทีเลยทุกวนาทีเลยเนี่ยถ้าไม่หายใจปั๊บก็ตายแล้วเนี่ยมีทายทาไมไม่ไม่ขี้เกียจหายใจกันบ้างนาะยังไงินยังเงินขี้เกียจแต่เรื่องหายใจนี่ไม่เคยขี้เกียจเลยมีแต่หายใจอยู่ลองขัดขี้เกียจหายใจดูสักครั้งหนิเราจะได้เห็นว่าโอเราเหนื่อยกับการหายใจมาม า, มากมายนั่เนี่ยวันนึงหายใจกี่รอบลองนับดู นอกจากหายใจแล้วหาน้ํำดื่มใช่ไหมเนี่ยไปดื่มน้ําหาข้าว ก, กินอหาเสื้อผ้ามาสวมใจ่อาบน้ําอาบท่าให้มันทั้งห้องน้ําห้องท่ามีแต่เรื่องของร่างกายทั้งนั้นแหละเหนื่อยยากกับเรื่องของร่างกายแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหาอยู่้ายาใเงินกินแล้วก็ต้องทุกข์ทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีร่างกายแสนจะสบายไม่ไม่เอา พระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านไม่มีร่างกายแล้วท่านสบายถ้าหลานกัศสามโลกท่านไม่มีร่างกายแต่ท่านก็ยังมีใจเหมือนพวกเราอยู่ใจของท่านก็ไม่ได้หายไปเหมือนกับใจของพวกเราไม่ได้หายแต่ ใ, ใจของเราต้องมาแบกให้ร่างกายนี้่ต้ก็มาแบกกิเลสแบกสองตัวเนี้แบกร่างกายแล้วไม่พอมาแบกกิเลสเลยอยเพราะความหลงความไม่รู้ถ้าได้ศึกษาธรรมะได้ปัญญาได้พลังใจแล้วต่อไปมันก็ไม่แบกอะไร มันสลัดทิ่งได้หมดเลยเพราะมันไม่ต้องพึ่งอะไรตอนนี้พวกเรายังต้องพึ่งร่างกายกันอยู่นะอยากจะดูก็ต้องมีตาดูอยากจะฟังก็ต้องมีหูฟังอยากจะมีตามีหูก็ต้องมีร่างกายก็เลยลากร่างกายนี้มากขววงร่างกายนี้มากถึงแม้ว่าจะต้องเลี้ยงดูมันต้องแบกมันเป็นภาระหนักขนาดไหนก็ยินดีเพราะจะได้พาเอาร่างกายพาเราไปเที่ยวได้ ไม่เดือดรัวนะเออแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้น um ah um voilà> ่่งกายเราก็ไม่ต mm ้องกังวลกับมันมันจะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือให้คิดอย่างนี้นะใจจะสบายมนงมนดำาะไมันไม่มีหรอกมันเป็นความเชื่อกันแตเอง ด้ตัวเองบ่อยครั้งค่ะแตไม่มีคูบาอาการไม่ได้ขึ้นขังกับพระองค์ไหนจำเป็นหลือมั่นที่ลูกแม่ทำขันให้คุับอกะใช่หรอกเรามีพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วเราเรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้าคําสอนของ พ, พุทธเจ้าไม่ใช่เลยเวลานั่งสมาธิให้นั่งคนเดียวไม่ใช่มีคนมานั่งคู่กับเรา <c oughs> ไม่ใช่นอนหลับนอนร่วมกันไม่ไหนนั่งสมาธิให้ทําคนเดียวให้เปรดวิเว้ ที่ให้มีครูไม่ต้องไม่ต้องอะไรเนี่ยคือให้รับคําสอนของพระเจ้าเชื่อฟังคําสอนของพระเจ้าเวลาปฏิบัติแล้วมีข้อสงสัยก็ไปถามลูกศิษย์ของพระเจ้าอย่าไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะหลงทางได้เห็นผิดเป็นชอบได้เช่นตอนไหนถ้าเราเชื่เราบรรลุแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มหลงทางแล้วนะปรึกษาคนที่เขารู้ว่าบรรลุจริงหรือเปล่าก่อน แล้ไปเปิดตําราดูว่าวิธีบรรลุบรรลุแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่คิดขึ้นมาเองพอนั่งไปเห็นอะไรปุ๊บเป็นเทากลายเป็นเทวดาขึ้นมาแล้อันนี้หลงทางแล้วเข้าใจะนะไหมเวลาเราเห็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราเห็นก็จะนะเห็นเท้ามหาพรหมก็เราคิดว่าเราเป็นเท้ามหาพรหมขึ้นมาไม่ใช่หรอก อ, อย่าไปเห็นไง ถ้าเห็นง่ า, ายเระวังไว้อย่าไปสนใจให้เห็นว่ามันมันก็เหมือนกับภาพที่เราเห็นด้วยตาเนื้อของเราเนี่ยเห็นคนนั้นแล้วเรการเป็นคนนั้นขึ้นมาแล้วเปล่าใช่ไหมเห็นนายกปั๊บเราไปคิดว่าเราเป็นนายกแล้วหรอบางคนนั่งสมาธิเห็นพรมเห็นพรมก็เราคิดว่าตัวเองเป็นพรมขึ้นมาออันนี้ต้องมีครูอาจารย์คอยคอยสอนอันนี้ต้องมี การปฏิบัติต้องมีครูบาอาจารย์แต่ไม่ต้องไปขึ้นครูไม่ต้องไป อ, อมีครูอาจารย์นั่งนั่งคู่เนี่ยไม่หัดขับรถอย่างนั้นไม่ใช่นการนั่งสมาธินี่นไม่เหมือนกับการหัดขับรถนะในหัดขับรถนี่ต้องมีครูคอยคอ ย, คอยนั่งคู่ด้วยเผื่อขับไม่ถูกเขาจะได้มีเขามีเบรเกในการเนะี่ยรถที่มีสอนคนขับรถเนี่ยครูถ้าเห็นว่าไม่ได้เรื่องเขาก็เหยียบเบรกก่อนละ แต่นั่งสมาธินี้ไม่ต้องมีคนมานั่งคู่กับเราแต่เวลานั่งแล้วเราเห็นอะไรแปลกๆไม่เข้าใจเต้องไปถามครูแล้วะอันนี้มเป็นอะไรควรจะทํำยังไงกับมันอันนี้ต้องมีถ้าไม่มีเดี๋ยวหลงได้แล้วเป็นบ้าได้คนที่เป็นบ้าก็เพราะว่าไม่มีครูคอยสอนคอยบอกแล้วก็ไปคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็หลงแล้วก็เป็นบ้าไปบางคนคิดว่าไปถึงนิพพานแล้วเมื่อถึงนิพพานแล้วก็ไม่ต้องอยู่ต่อไปเลยฆ่าตัวตาย ไม่ได้ไปแล้ยถ้านิพานก็ไม่ฆ่าตัวตายหรอกพูดเจ้าไม่ฆ่าตัวตายเห็นไหมว่าเจ้าอยู่อีกต้องสี่สิบห้าปีเรื่องนิพานกับเรื่องร่างกายเป็นคนละเรื่องกันก็อย่างนี้ร่างกายมันก็อยู่ของมันไปไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกถึงเวลามันตายก็ปล่อยมันตายไปทํามันไม่ตายก็อยู่ไปฆ่าตัวเองก็บาปฆ่าคนอื่นก็บาปถ้าฆ่าตัวเองก็ยัง ถ้าทำบาป ก, ก็ยังคิดว่าเองหลงอยู่คนที่ไปถึงนิพพานแล้วก็ไม่ฆ่าหละอย่าง<ม>ปัญญามันไม่รอบครอบมันไม่รู้อะมันคิดว่าพอนั่งไปแล้วคิดไปเองว่าใจไม่คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ใจสงบก็ถึงนิพพานแล้วไม่มีความโลภแล้ว<ม>ตอนนี้มันอาจจะไม่โลภเดี๋ยวเดียวมันไม่รอตอนออกมาดูว่าโลภหรือเปล่าอยากจะฆ่าตัวตายก็เป็นความโลภอีกแบบอย่างเี้ ม, มันก็ไม่รู้ทัน<ม><ม> ทิตยี่แล้วลูกไปบวชที่รัดข่านะค่ะพระอาจารย์อยู่ติสิคนเดียวแบบนี้แล้ค่ะตอนนี้ลูกไม่เคยนั่งสมาธิแล้วปฏิบัติธรรมถึงสองชั่วโมงไม่เคยเลยมีแต่าันดีก็ยี่สิบนาทีสองสิบนาทีแต่วันนั้นมันก็ฝนตกก็เลยเดินกลมๆข้างล่างใก้ถึงเดินไปเดินมาแล้วก็นั่งสมาธิอาตอนออกมาให้มารู้ว่าอ๊้เราทาไปตั้งสอง มึงก้กว่าจะถึงเวลาปอดตายแล้วเลยแต่ตอนตอนที่นั่งอะคะไม่รู้หลับหรือตายถ้าไม่รู้ก็ยัไม่รู้ค่ะถ้าไม่รู้ก็หลับถ้าไม่รู้ก็หลับมันต้องรู้เนะนั่งสมาธิต้องรู้ว่าจิตสงบถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าหลับนะเพอหลับไปแล้วเพราะว่าตอนรู้สึกตัวเหมือนอย่างนี้ยอ่าจับประงอกแล้วหลับในแล้วเรียกหลับในาย ก็ไม่เป็นไรต้องลุกขึ้นมาเดินถ้ารู้สึกว่าหลับไหนลุกลุกขึ้นมาเดินเพราะมันจะเสียเวลาแล้วมันจะคิดว่านั่งสมาธิกันจริงๆไม่ได้นั่งมันนั่งหลับก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะแล้วก็พยายามศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีป ฏ, ดปฏิบัติชอบอันนี้แหละเป็นถือว่ามีอาจารย์แล้วไม่ต้องไป ให้อาจารย์มานั่งคู่กับเราไม่ต้องไปขอขึ้นครูอะไรกันหรอกถ้าเราเชื่อในคำสอนของท่านก็ถือว่าเรามีอาจารย์ ล, ลูกศิษย์ต้องเชื่อครูอาจารย์ลูกศิษย์ที่มีครูก็เรียกว่าทำตามที่ครูสอนทำตามที่ครูปฏิบัติก็ถือว่ามีครูแล้วเรามีปัญหาอะไรไม่เข้าใจก็ไปปรึกษากับครูบาอาจารย์ถ้าองค์นี้ตอบคำถามไม่ได้ก็ไปหาอีกองค์นึงหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ คำตอบถ้ายังไม่เจอก็ปล่อยสิ่งที่เรามีไว้ไว้ก่อนอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ดืมมันไปซะก่อนจนกว่าเรามปีปฏิบัติมีปัญญาเกิดขึ้นมาหรได้ยินในสั่งทำจากครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งแล้วท่านแสดงเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้เราฟังแล้วเราก็เข้าใจแล้วค่อยเราค่อยรับมาปฏิบัติต่อ เรไม่ว่าไม่ว่าเราจะได้นั่งแล้วเห็นอะไรเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เราเคยทํางานที่ไหนออกมาก็ยังต้องไปทํางานอยู่เคยเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีอยู่ไม่ใช่พอนั่งสมาธิแล้วกลายเป็นเทวดาขึ้นมาแนละ้วออกมาไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องกินข้าวไม่ใช่หรอกร่างกายของเราก็เหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนไปไอ ต, ตัวที่เปลี่ยนไปก็คือใจของเรามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่ดีก็ดูที่ตัวตัวกิเลสถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ดี ยากิเลศน้อยลงอ่ะแต่่ด็ดีตอนนี้โลภน้อยลงโกรดน้อยลงอย่างเงี้ยดีโลภน้อยลงกัโกรธเท่าเดิมค่ะไม่หรอกความโกรธมันก็มาจากความโลภเนี่ยแหละ <c oughs> เพราะว่าเวลาโลภอยากได้อะไรไม่ได้ดังใจก็โกรธใช่อหม응ถ้าโลภน้อยลงโกรธก็ต้องน้อยลงตามไปงั <c oughs> ้นโลภก็เท่าเดิมถ้าโกรธเท่าเดิมโลภก็ต้องเท่าเพโกรธมันเป็นผลของความโลภแล้วความโลภก็เป็นผลของความหลง จะหายหลงก็ต้องใช้ปัญญาต้องฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆแล้วก็เจริญปัญญาด้วยตัวเองด้วยทั้งสองอย่างตอนต้นต้องอาศัยปัญญาของคนอื่นก่อนได้ปัญญาของคนอื่นมาแล้วก็เอามาพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเช่นห้ามดื่มชวาเนี่เอามาท่องไว้เรื่อยๆห้ามดื่มสุวาห้ามดื่มสุวานี่มนั้นมันจะแก้งลืมพอถึงเวลาจะเดือดนี่มันลืมไปเลย <c oughs> ไม่ครับ่าการที่ถูกถามเพราะว่าไม่ได้ว่านะนี่ยกตัวอย่างไม่ใช่เราต้องแก้ตัวกัเดี๋ยวทุกคนที่ดูทางนี้นจะดิ้วเปหนูแล้วโกดไม่ใช่ <laughs> คือจริงๆนะวันนั้นน่ะคุยกับพี่เขาพี่ก็บอกว่าดมได้นิดนึงอะไรเ <laughs> ราอยู่สินแสเาจะอยู่ในสินแสกันปกตินี่แหะค่ะ นีพอเราหลจะเป็นสินข้าวเ้าก็จะมีนัดกันปาร์ตี้ไงคะดื่มเล้าเราอาดื่มได้เหรอคะเราถอสินกันนะเาทําไมเลยถ้ารักษาสิจริงไงให้ตายก็ไม่ดื่มให้ตายก็ไม่ดื่มจริงใช่ไหมไม่ดื่มาอก็เอายาเลยอนะอาจารย์ั่นทำไมความว้าโรก ลูกอยากให้แม่บ้านเขาเป็นอย่างนั้นอยากให้คนงานเขาเป็นอย่างนี้นั่นก็คือความโลภความอยากใช่ไหมใช่แล้วเราก็มาโกรธเขาเพราะเขาทำไม่ได้ดังใจใช่ใช่นั่นก็คือความโลภไม่ได้หมายความว่าโลภอยากได้ของคนคนนี้โลภอยากอยากยากทุกอย่างอ่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นโลภหมดอ่าอ่าหรืออยางแม่ก็เป็นก็ก็โกรธ อยากให้แฟนเป็นคนดีไม่ให้กินเหล้าไม่ดื่มเหล้าพอเข้าไปดื่มเหล้าเข้าไปมีชู้เราก็โกรธเขาแต่ถ้าเราปล่อยเขาเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เราก็จะไม่โกรธเขาเข้าใจไหมอ่าอ้ออวาวกลับมาทำทางทางบ้านต่อเดี๋ยวใกล้จะบไไไหมดเวลาแล้ะเดี๋ยวทางบ้านเขาตามประจันประจอนแต่คุณอภิชาตินะครับ เวลาภาวนายัางทำตามความรู้สึกขณะนั้นว่ารู้สึกอย่างไรคือบางครั้งพุโทโธรู้สึกปลอดโปร่งก็พุโทโธไปบางครั้งก็ตามดูลมเข้าออกเฉยๆบางครั้งก็ยุบหนอพองหนอตามแต่ที่รู้สึกสบายๆทำเป็นช่วงๆวันหนึ่งขอถามวันหนึ่งหลายๆช่วงตามช่วงเวลาที่ว่างที่นึกได้และตอนก่อนนอนขอถามว่า ควรเลือกคำภาวนาเพียงอย่างเดียวหรือไม่และถ้าต้องเลือกเพียงอย่างเดียวมีหลักการควรเลือกอย่างไรครับอันนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาหรอกถ้าวิธีไหนทำให้เราสบายสง บ, <ม>สงบก็ใช้วิธีนั้นไปเบื่อแล้วก็เปลี่ยนได้เหมือนกินข้าววันนี้กินก๋วยเตี๋ยวกินบ่อยๆเบื่อก็พรุ่งนี้ก็กลิ่นกินส้มตแทนกินเพื่อให้มันอิ่มดีกว่าใช่วิธีเดิมแล้วมันไม่อิ่ม เราใช้วิธีเดิมแลม้วบางทีมันเบื่อมันจืดจางก็ลองเปลี่ยนวิธีใหม่ดูใช้พุโทโธบ้างใช้ลมหายใจบ้างใช้การสวดมนต์บ้างอันนี้ก็แล้วแต่จริตของเราบางคนเขาก็เอาอย่างเดียวได้โดยที่ไม่ต้องไม่เบื่อเขาก็เอาอย่างเดียวอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราแล้วอยู่ขั้นตอนของการปฏิบัติด้วยถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเจอตัวไดยอย่างใดยอย่างหนึ่งที่เราชอบที่ถนัดที่เราไม่เบื่อเราก็จะอยู่กับอย่างนั้นไป บางบางเวลาก็ต้องใช้อย่างอื่นช่วยบางทีใช้สติไม่ไหวก็บางทีต้องใช้ปัญญาเข้ามาช่วยบ้างก็ได้แต่หนูเชื่อว่าสิ่งที่หนูทามาทําทให้หนูแก่งขึ้นมาในจิตใจนะคะอาจารย์หนูเป็นคนกลัวผีหนู่าทำวัดเย็นหนูต้องกลับบ้านบึกบึกทุกคนเอาคนเดียวใช่ทุกคน เปรวเปวไม่กลัวผีเลยค่ะจ้องกับแผ่เมตตาอย่างเดียวเลยออมาจากสวดสวดมนต์นะว่าถ้าเจอจะสวดอ่าแผ่เมตตาให้นะไม่เคยเจอแล้วก็เรากลัวอะไรไปหามันไปหามันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวชิ้นชิ้นกับมันเองแล้วเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรหรอกเราไปกลัวมันเองอมันไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรกับเราหรอกเมื่อวานนี้ถามร่กลับบ้านเนี่ยถามว่าต่อถามคําถามคําถามจะคุณมาตินนะครับ จิตชอบปลามาผูอื่นบางท e, ีก uh, to ็ล่วงเกินครูบาอาจารย์ในใจทั้งๆที่จิตไม่อยากทําและทุกทุกครั้งที่คิดล่วงเกินแต่ก็เหมือนห้ามจิตไม่ได้แก้ไขได้ก็เป็นบางครั้งแต่ไม่เด็ดขาดครูบาอาจารย์พอจะมีวิธีและอุบายธรรมที่สามารถแก้ไขกิเลสข้อนี้ให้กำลาบเด็ดขาดได้บ้างไหมครับก็ให้คิดว่าการปลามาผู้อื่นนี้สู้การปลามาตัวเราเองไม่ได้ถ้าอยากจะด่าใครด่าตัวเราดีกว่า พอด่าตัวเราเราจะได้แก้ไขตัวเราได้ไปด่าคนอื่นก็ไปแก้ไขเขาไม่ได้อยู่ดี<ฮ>แล้วถ้าเขาแก้ไขได้เขาก็ได้ดิบได้ดีเราก็ไม่ได้ดิบได้ดีไปกับเขาแต่ถ้าเราด่าตัวเราเองแล้วเราแก้ไขตัวเราเองเราก็จะได้ดิบได้ดีได้ประโยชน์นั้นการไปด่าคนอื่นไปปราโมทยคนอื่นนี่เสียเวลาไปเปล่าๆทุกครั้งเวลาจะด่าใครให้กลับมาด่าที่ตัวเราดีกว่าแล้วมึงดีก่าเขาเหรอ้องถามตัวถามคาถามนี้ดู มึงมีอะไรที่ดา่ดาดา่าด่าไม่ได้เลยย้อนกลับมาเลยย้อนกลับมาเวลาจะไปดา่าคนอื่นว่าด่าตัวเราเองดีกว่าคนอื่นดีชั่วมันไม่ได้ทําให้เราดีชั่วไปกับเขาหรอกแต่เราดีชั่วเนี่ยมันจะทําให้เราดีชั่วถ้าเราดีเราก็จะดีถ้าเราชั่วเราก็ชั่วถ้าเราชั่วเรารู้ว่าเราชั่วก็ด่ามันเลยออย่างนี้ไม่ดีอยากกินเหล้านะอย่าไปมีชู้นะอย่าไปเที่ยวซ้ำซ้อนนะเอ ที่ไม่ชอบด่าตัวเองอ่ะชอบไปด่าคนอื่นเขาอย่างวันก่อนไปบินทบายเนี่ยคนเขียนข้อความข้ามาลูกศิดใส่รองเท้าแล้ว <c oughs> ตัวเองทอําเลยตัวเองนั่งวิภากควิจารณ์ไปทําไม <c oughs> ตัวเองก็ลองถอดรองเท้าแล้วมาช่วยถ่ายบาสิถึงจะถือว่าดีกับคนที่เขาใส่รองเท้าแล้วเขาถ่ายบาสอ่ะเรานั่งดูเฉยๆแล้วไปว่าเขาามันดีตรงไหนมเอใช่ี <c oughs> ่ <c oughs> ยชอบว่าคนอื่น ท่านท่านก็มีคำพูดอยู่ว่าความผิดของคนอื่นเนี่ยแม้เท่าผงธุลีก็เหมือนภูเขาความดีของผู้อื่นนี่แม้เท่าภูเขาก็เหมือนผงธุลีมองไม่เห็นส่วนความชั่วของตนแม้เท่ากองภูเขาก็เหมือนผงธุลีความดีของตนแม้เท่าเป็นผงธุลีก็เหมือนกองภูเขาผมบวนโอ๊ยทำดีไม่ได้ดีเลยก็เันแค่ผงธุลี <laughs> มันจะไปได้ดีอะไรวะ ถ้ามันเป็นภูเขามันได้ดีไปนานแล้วมันเหตุเป็นผลนะนี่แหละเรื่องของอคติใจลามันจะมีอคติลำเอียงจะเข้าข้างตัวเองจะมองโทษของคนเองนี่ใหญ่โตโมโหลานาโทษของตนเองนี่นิดเดียวไม่เป็นไรกินกินเหล้าแค่ก๋วยปองเดียวจา น, นต่ำไปจะเดืมน้ำอัญชันต้มนวลแล้วกันออก้อง้ง ห, หันมาดื่มน้ำวนใจแล้วค่ะ <c oughs> กลับมาหันปลามากตัวเราดีกว่าแล้วเราจะได้ประโยชน์มากกว่าใครจซื้อได้ต้องมีคำถามก็ต่อไปจากคุณธามน์นะครับเวลาคุยกับแม่ของตนเองหนูรู้สึกหนุดหยิดง่ายและงับไม่ให้เถียงท่านไม่ได้สักทีพอพูดไปรู้สึกผิดเพราะบางอย่างก็คิดว่าท่านคิดไม่ถูกรู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะแต่กับคนอื่นหนูกับวางเฉย กับคำพูดเหล่านั้นได้พยายามทำตามพระอาจารย์บอกให้พุโทโธจะกแก้ไขอย่างไรดีครับเราก็ต้องมองแม่เหมือนคนอื่นบ้างอย่ามองแบบว่ามันเป็นแม่เราเพราะเราเคยใกล้ชิดกับแม่จนกระทั่งเหมือนกัเป็นเพื่อนกันเราต้องมองภาพใหม่ว่าแม่เรานี่เป็นเหมือนพระพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เวลาเราไปกราบพระนี่ไปคุยกับพระนี่ถึงแม้ท่านพูดอะไรไม่พอใจเราก็ไม่ไม่โต้อตอบ มองแม่ว่าเป็นเหมือนครูเป็นอาจารย์ท่านสั่งท่านสอนเราเรามีหน้าที่ที่จะรับฟังลูกนี้ไม่มีหน้าที่ไปสั่งไปสอนพ่อสั่งสอนพ่อแม่ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะทําไม่ถูกก็ไม่ใช่หน้าที่ของเรายกเว้นว่าท่านถามเราหรือเปิดโอกาสให้เราว่ากล่าวตักเตือนท่านได้เราค่อยไปว่ากล่าวตักเตือนเราต้องมาปรับความเห็นว่าเรากับพ่อแม่นี้อยู่คนละฐานะกันพ่อแม่นี่ท่านสูงกว่าเรา เป็นเหมือนครูครูบาอาจารย์เราเป็นลูกเราเป็นผู้รับรับสิ่งที่ดีกามต่างๆจากพ่อแม่เราเราควรจะตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการมีความนอบน้อมมีสัมมาคารว ะ, อ, ะอย่าอย่าทําตนเหมือนกับท่านอย่าไปจับตีอย่าไปตีตัวเสมอท่าน อ, อย่าไปสั่งไปสอนไปว่าพ่อว่าแม่แม่อย่าทําอย่างนั้นแม่อย่าทำอย่าง น, น, าางนี้อันนี้แสดงว่าเราผิดแล้ว ลองพยายามสอนตัวเองใหมาว่าพ่อแม่ของเรานี่เป็นเป็นผู้สูงกว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเป็นผู้มีพระคุณกับเราอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าท่านเลี้ยงดูเรากับเราบางทีท่านก็เลี้ยงเราแบบเป็นเพื่อนเราก็เลยถือวิสาสะอยู่ด้วยกันมาลืมลืมสถานภา พ, าพที่แท้จริงของพ่อของแม่กับของเราว่ามันต่างกันเราต้องมาปรับความเข้าใจใหม่นะต่อไปนี้เวลาเราเจอพ่อเจอแม่นี่เราต้องถือว่าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหา กำลังไปพบกับครูบาอาจารย์ท่านจะพูดจะว่ายัางไงจะผิดจะถูกนี้เราฟังด้วยเหตุด้วยผลก็พอผิดเราก็ไม่ต้องเอาไปทําตามอถ้าถูกเป็นของดีเราทําได้ก็เอาไปทํเาเดี๋ยวเราจะได้รู้สึกมีความสุขกับเวลาที่เราได้เจอพ่อเจอแม่มอพยายามนึกถึงความดีของท่านบ่อยๆว่าชีวิตเรานี้ถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็จะไม่มีวันนี้หรอกไม่มีโอกาสที่จะมาด่าพ่อด่าแม่ได้หรอก ถ้าไม่มีพ่อแม่ให้กำเนิด ก, กับเราเลี้ยงดูเราส่งเสียเราให้เราเป็นตัวเป็นตนตให้มีชีวิตที่ดีได้อยู่ในขณะ น, นี้ก็เพราะพ่อแม่ของเรานี่แหละแล้วเราจะไปว่าพ่อว่าแม่ทำไมได้ประโยชน์อะไรทำให้พ่อแม่เสียใจไปเปล่าๆแล้วต่อไปเรามีลูกเราก็จะด ล, ลูกด่าเราเหมือนกันนะมีอีกเคสนึงครัออบอาจารย์คือทางบ้านเนี่ยเขาจะห่วงพ่อแม่มากแล้ว เขาก็จะซื้อของกินดีๆมาให้พ่อแม่แปลมาพ่อแม่เอาไปทับใส่บาตรเขาก็มาทุกข์ใทําไมซื้อของดีให้แล้วไม่ยอมกินผมก็บอกว่าคิดอย่างนี้สิเราต้องการให้พ่อแม่มีความสุขใช่ไห ม, มและสิ่งที่พ่อแม่ทําไปเนี่ยคือเอาของไปใส่บาตรต่อเนี่ยก็คือความสุขของพ่อแม่ดังนั้นเราควรจะยินดีจะมากกว่าที่จะไปเสียดายของถูกต้องถูกต้องและบางทีของมันมากเกินไปเนะี่ยท่านก็ไม่อยากจะเก็บไว้ใช่ไหมก็คิดถึงพระก่อนละเวลาอยากจะทําบุญกัน มีของดีๆก็อยากจะถวายพระกันแล้วก็ผลก็ดีกว่าเพราะว่าประโยชน์ทางใจนี่มันดีกว่าประโยชน์ทางร่างกายร่างกายเดี๋ยวไม่อีก ไ, ไม่กี่ปีก็ตายแล้ว <Yeah. S 1> แต่ใจนี่เอาบุญไปได้เอาบุญที่เกิดจากการเอาของนี่ไปถวายพระแล้วจะได้ไปเป็นเทวดาไม่ต้องไปเป็นเปรตคนที่ไม่ใส่บาตรเนี่ยไม่ทำบุญตายไปไปเป็นเปรต ก, กันเพราะไม่มีบุญติดตัวไปคนที่มีบุญติดตัวก็ไปเป็นเทวดาเพราะบุญนี่เป็นเหมือนเงินไง เงินในโลกทิพย์โลกทิพย์ก็เหมือนโลกเราเนี่ยต้องมีเงินใช้มีเงินก็เป็นเทวดาเป็นเป็นเศรษฐีถ้าไม่มีเงินก็ต้องไปเป็นขอทานไปขอส่วนบุญของคนที่เขาอุทิศให้แต่ถ้าเรามีบุญติดตัวไปเราก็ไม่ต้องมาเป็นขอทานอย่างคิดอย่างงี้ดีคุณจะดีใจที่ว่านี่เป็นอุบายที่เราทําให้พ่อแม่ได้ทําบุญอถ้าเราบอกตรงๆ ไ, ไม่ได้บุญนะบอกพ่อแม่ถ้าเอาของนี้ไปให้พ่อแม่ แ, มแลว้วบอกให้เขาไปทําบุญนี่เขาจะไม่ได้บุญ เพราะมันไม่ได้เป็นของเขาเพราะเขาเขาถูกเราสั่งให้ไปทํตเราให้เขาเป็นของเขาแล้วเขาอยากจะสละของที่เป็นของเขานี้ไปเขาถึงจะได้บุญงั้นอย่าเอาของไปเรื่องเงินให้พ่อแม่เราพ่อแม่เอาไปทําบุญนะอย่าพูดโดยเด็ดขาดเนะ<ม>นี่ยบทนี้ให้ยกให้พ่อแม่แล้วแต่พ่อแม่จะไปทาอะไรแล้วพ่อแม่อยากจะไปทาบุญก็เรื่องของพ่อแม่อยากจะไปซื้อเหล้าก็กเรื่องของพ่อแม่ <c oughs> <c oughs> พูดเปรียบเทียบให้ีด้จะได้เห็นภาพชัดๆกระทบตลอดเาดีคนอื่จะได้ฟังไม่ใช่ไม่ได้ว่าเราหลอกว่าคนอื่นก็เรียกว่าเชื่อกายให้ลิงดูไงอาจารย์ไหมรู้จักสุภาษิตไหมเชื่อกายให้ลิงดูอ่า คำถาข้อต่อไปจากคุณหนุงเองนะครับพยายามทําพุโทโธเมื่อนึกได้แล้วลึกรู้อริยบทต่างๆอยู่เนืองๆบางทีก็พิจารณาเป็นโครงกระดูกณะนาดทำงานเช่นกําลังประคองคนไข้ ย, ยืนเดินหรือทํากิจกรรมต่างๆถูกต้องแล้วหรือไม่คะก็ได้แต่ถ้าเราต้องการจะสร้างสติเราไม่ควรจะคิดจะดีกว่าเพราะคิดนี้เดี๋ยวบางทีมันเผลอคิดไปในทางกิเลสได้ แล้วมันจะไม่เป็นสติละมันจะเป็นอารมณ์ขึ้นมาฉะนั้นถ้าตอนเบื้องต้นถ้าเราสติยังมีไม่มากให้ให้คิดให้ให้พุทโธไปดีกว่าให้ดูอิรียบุตรเคลื่อนไหวไปอยาบไปคิดปรุงแต่งเพราเวลานั่งสมาธิถ้ามันคิดปรุงแต่งมันจะไม่สงบ mm hmm. เพราะว่าบางทีมันไม่คิดไปในทางปัญญามันอาจจะเป็นปัญญาแป๊เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเรื่องอื่นตายก็ได้โดยไม่รู้สึกตัว ไปวิตกกังวลกับเรื่องกระดูกของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเราแทนที่จะพิจารณาเพื่อปล่อยวางกลับไปพิจารณาเพื่อไปยึดไปติดก็ได้ดังนั้นถ้าอยู่ในขั้นฝึกสตินี้อย่าไปคิดดีกว่าพยายามหยุดความคิดฝึกหยุดความคิดไว้ก่อนพอเราหยุดความคิดได้แล้วขั้นต่อไปเราก็สามารถสั่งให้คิดไปในทางไหนก็ได้ให้มันคิดก็ได้ให้มันหยุดก็ได้แต่ถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้พอมันคิดแล้วมันเหมือน เหมือนกิ่งก้อนหินลงเขานะมันจะไม่หยุดนะมันจะคิดเลยเปิดเตลิดเปิดเปิงไปคิดไปออกนอกรูนอกทางไปก็ได้ดังนั้นขณะที่เราฝึกสติเพื่อหยุดความคิดเราอย่าเพิ่งไปคิดนะให้หยุดความคิดให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับพุทโธให้รู้อยู่กับร่างกายนีได้แต่อย่าไปคิดพิจารณายังไม่ถึงขั้นนั้นขั้นนี้ต้องการหยุดความคิดเพื่อให้จิตสงบก่อนเมื่อจิตสงบแล้ว จริงจะไปคิดทางปัญญาก็คิดได้แล้วถ้ามันไปเตลิดเปิดเปิงเราก็จะหยุดกันได้แต่ถ้าเราหยุดมันไม่ได้พอมันเตลิดเปิดเปิงไปแล้วมันก็เดี๋ยวก็กลายเป็นอารมณ์ขึ้นมาได้คิดไปคิดมาทำไมมาโผล่ที่ศูนย์การค้าซะแล้วมามาเที่ยวมาดูอะไรไปซะแล้วฉันขั้นต้นนี้เวลาเจริญสตินี่อยากคิดดีกว่าคำถามจากคุณ จำพิลานะครับการทําบุญก่อให้เกิดส ต, ติสุขจากการให้การปฏิบัติธรรมถือสีแปดคือการขัดเกลีกิเลสนิสัยที่ไม่ดีมองเห็นทุกรู้ทุกความรู้สึกแตกต่างกันมากกับตอนทําบุญกับขออุบายวิธีจากพระอาจารย์ว่าจะทําอย่างไรให้จิตใจผ่องใสไปด้วยในขณะปฏิบัติธรรมเจ้าคะปกติจะใช้บทสวดอิติปิโสยึดไว้คะ่ะก็ใช้หลักสติเนี่ยเป็นตัวที่จะ ควบคุมจิตใจให้ว่างให้เย็นให้สบายได้มันมีสติควบคุมใจอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีทําบุญทําทานรักษาศีลไปมีเวลานั่งสมาธิก็นั่งสมาธิไปถ้าไม่มีก็ฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนก็ได้เมื่อว่ากําลังจะทําอะไรอยู่ก็ให้ควบคุมใจอย่าปล่อยให้คิดแล้วใจก็จะเยน็นจะสบาย สดชื่นเบิกบานอารมณ์ดีคำถามจากคุณอ๊อฟนะครับอยากนั่งสมาธิให้ได้จนถึงเช้าแต่นั่งได้เต็มที่เพียงสามถึงสี่ชั่วโมงสังขารก็ไม่อำนวยอยากข้ามผ่านความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้ควรทำจิตอย่างไรดีเจ้าคะก็ทำไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆฝึกสติให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะนั่งได้นานขึ้นแล้วมันจะสามารถผ่าน ความเจ็บปวดของร่างกายได้ที่มันผ่านไปไม่ไหวก็เพราะสติบมดกําลังกําลังไม่พอเห็นต้องเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องพยายามจเจริญสติไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะนั่งได้มากขึ้นแล้วจะสามารถนั่งผ่านความเจ็บได้ถ้ามีความเจ็บแล้วอยู่กับผู้โทรผู้โทรอย่างเดียวมันจะไม่รู้สึกเจ็บที่ใจใจจะไม่เจ็บเลยเจ็บที่ร่างกายที่เป็นส่วนเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความเจ็บที่ใจ ถ้าควบคุมใจไม่ได้มันจะเจ็บที่ใจมากเพราะจะอยากให้ความเจ็บหายไปพอเกิดความอยากมันก็เกิดความทรมานใจขึ้นมาที่ทนไม่ได้ไม่ได้ทนเพราะความเจ็บของร่างกายทนไม่ได้เพราะความเจ็บของใจมันเครียดมากมันอึดอัดมันอยากจะลุกอยากจะหนีจากความเจ็บแต่ถ้าเราควบคุมมันด้วยพุทโธได้มันไม่ให้มันคิดได้มันก็จะไม่ลุกมันก็จะไม่อยาก แล้วมันก็จะนั่งอยู่กับความเจ็บได้ไปสบายแต่มันต้องขยานพุโทโธตอนนั้นมันเหมือนกับเข็นเข็นเข็นโคกขึ้นภูเขาเลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปโธไวๆใช่ไหมคะอ่าไวก็ได้ถ้ามันมีช่องไปคิดถึงเรื่องอะไรก็ใมันไวขึ้นมันจะใช้พุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสามก็ได้มันจะได้รู้ว่ากําลังไปถึงขั้นไหนละไปถึงแล้วแต่ ก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงความเจ็บอย่าปล่อยให้มันอยากให้ความเจ็บหายไปแล้วความเครียดจะไม่เกิดขึ้นในใจแล้วใจก็จะสามารถอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ผ่านผ่านความเจ็บของร่างกายได้ความเจ็บจะหายไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาจะอยู่กับมันได้คำถามจากคุณดอกไม้ทำนะครับน้องสาวอยากทราบวิธีการละความโกรธความเกลียดทําอย่างไรครับพระอาจารย์ก็อย่างที่บอกแล้วมันความโกรธก็เกิดจากความอยาก อ ย, อ, ยอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้พอไม่ได้ก็โกรธโกรธแล้วก็เกลียดถ้าไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้เลยจากเขาเราจะไม่โกรธไม่เกลียดเขาหรอกอคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่ไปอยากให้เขาทํานู่นทํานี่เราไม่โกรธไม่เกลียดเขาหรอกใช่ไหมเราจะไปโกรธเกลียดคนที่ใกล้ตัวเราเนี่ยแหละคนที่เราอยากให้เขาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเ ข, า, ขาไม่ทํำเราก็โกรธเขาโกรธแล้วก็เกลียดแล้เดี๋ยวก็เลิกกันเนี ที่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็พอต่างคนต่างเอาใจของตัวเองตัวเองก็อยากให้ก็ทําอย่างนั้นนี้เขาก็อยากให้เราทําอย่างนั้นอย่า ง, งนี้พอเราไม่ทําเขาไม่ทำํำเราก็เลยโกรธเขาก็โกรธโกรธมากๆก็เกลียดเกลียกก็อย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าอยู่ด้วยกันมันไม่มีความสุขแต่ถ้าต่างคนต่างเอาใจกันนี้จะไม่โกรธก็อยากจะได้แล้วก็ทําให้เขาสิตอนพบกันใหม่ๆถ้าเราทําได้ราะตอนนี้ทําไม่ได้แล้ว แล้วรู้จักกันใหม่ๆนี้เอาอกเอาใจกันแทบตายใช่ไหมเออก็ถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันอยางมีความสุขก็ต้องอยู่แบบตอนที่เรารู้จักกันใหม่ๆอย่าเอาใจเราเอาใจเขาเอาอกเอาใจเขาแล้วเขาก็เอาอกเาใจเราเราเอาใจเขาเดี๋ยวเขาต้องเอาใจเราเน่ะเชื่อเถอะคนเรามันใจไม่เป็นหินหรอกถ้าใครเขาดีกับเราเดี๋ยวเราก็อดที่จะดีกับเขาไม่ได้รถ้าเราไม่ดีกับเขาเดี๋ยวเขาก็จะไม่ดีกับเรา แต่ในต้นตอนแต่ตอนต้นก่อนจะชนะใจเขาได้ก็ต้อ ง, ต, องต้องอดทนหน่อยต้องเอาใจเอาใจเขามากๆจนในที่สุดใจเขาอ่อนลงไปเองแต่ใหม่ๆเขาอาจจะยังไม่ไม่เชื่อใจว่าหลอกหรือเปล่าแต่ถ้าเราเอาใจเขาจนกระทั่งเขามั่นใจว่าไอคนนี้มันเอาใจเราจริงๆแเดี๋ยวเขาก็ออนเอเดี๋ยวเขาก็เอาใจเร า, างนั้นต้องรู้จักเสียสละนะ อย่าไปอยากได้ถ้าเสียสละแล้วอยู่กับคนอื่นได้เราจะไม่โกรธไม่เกลียดใครถ้าอยากได้อยากเอาใจตัวเองจะอยู่กับใครไม่ได้เพราะไม่มีใครสามารถที่จะเอาใจเราได้ตลอดเวลาหรอกแล้วความอยากของเราก็ไม่มีขอบมีเขตได้อย่างนั้นก็อยาเอาอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็อยากเอาอย่างงู้นต่อแล้วใครก็จะมารับใช้เราได้ตลอดเวลาก็ถ้ามัมีขอบมีเขตถ้าจะได้อะไรอยากได้อะไรถ้ามันมีเหตุมีผลบ้าง อย่าอย่าอย่าไปอยากตามอารมณ์ถ้อาอยากอารมณ์แล้วมันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอคำถามจากแคนเนดีฝนทิพย์นะครับเป็นเขาแจ้งมาว่าภาษาไทยพิมไม่ค่อยเก่งนะครับจับใจความได้ว่าเวลานั่งสมาธิถึงขั้นพุทโทหายลมหายใจหายเบาใจเบาจิตแต่ยังรู้ทุกสุขของร่างกายอยู่นี่หมายถึงสมาธิขั้นไหนเจ้าคะก็ ขั้นกลางๆอ่ะยังไม่ขั้นเต็มที่ยังไม่เต็มร้อยก็ให้มีสติดูรู้ไปต่อไปถ้าไม่มีลมก็ให้รู้อยู่กับความว่างไปอย่าปล่อยให้ใจคิดให้รู้ไปสักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆแล้วมันเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายหายไปอย่าไปคิดอย่าไปทําอะไรให้ให้รู้เฉยๆให้มีสติรู้เฉยๆไปให้สักแต่ว่ารู้ไป คำถามจากคุณพรวิทยาครับการฝึกให้กายใจเข้มแข็งไม่อ่อนแ อ, แอควรปฏิบัติเช่นไรเจ้าคะฝึกสมาธิให้มากๆแล้วใจจะมีกําลังฝึกสติให้มากๆแล้วใจจะเป็นเหมือนหินเหมือนก้อนหินคนที่มีสมาธิมากๆนี้ใจมันจะเย็นใจมันจะไม่รุ่มร้อนจะไม่เบาไม่หูเบาไม่ใจเบาจะหนักแน่นแต่ถ้ามีปัญญาด้วยยิ่งดีใหญ่ ถ้ามีปัญญาแล้วนี่มันจะมันจะไม่มีอะไรมาขยาใจได้เลยมีสมาธินี่ถ้าเวลาสมาธิอ่อนกําลังมันก็ยังมันก็ยังถูกเขายาวได้แต่ถ้ามีปัญญาแล้วมันจะสามารถรักษาใจให้เข้มแข็งให้ไม่ให้หวัน่นไหวกับอะไรได้ตลอดเวลาแล้วหลังจากมีสมาธิแล้วก็หัดฝึกปัญญาปัญญาก็คือให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีหรืออยากมีหรือเกี่ยวข้องด้วยนี่มันไม่เที่ยง มันไม่ได้เป็นของเราทักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปทักวันหนึ่งมันต้องเปลี่ยนไปถ้าเราอยากให้มันอยู่กับเราเราจะทุกข์เราจะหวั่นไหวแต่ถ้าเรายินดีอ่ะถึงเวลาก็จะไปให้เขาไปใจเราก็จะไม่หวั่นไหวใจเราก็จะเย็นจะสบายรับได้ทุกอย่างมาก็ได้ไปก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้เมื่อเราห้ามเขาไม่ได้เราจะไปทำอะไรได้เราก็ต้องทาใจเราอย่างเดียว คำถามจากคุณพยาวนะครับบุญใดถึงจะอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วที่เขาจะได้รับจากเราได้บ้างคะถ้าบุญที่เกิดจากการทําทานเพอย่างเดียวเอาข้าวของไปถวายพระแล้วก็กวดน้ําไปได้บุญอย่างอื่นอุทิศไม่ได้บุญที่เกิดจากการรักษาศีลอุทิศไม่ได้บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้อุทิศไม่ได้ของใครของมั น, มาานอนอ ย่งเราก็ไม่นั่งสมาธิแต่พระพุทธเจ้าแผ่ให้เราฮ <c oughs> เราไม่รักษาศีลแล้วก็ได้บุญจากการการักษาศีลแล้วไม่ได้หรอกมันมีได้อเพียงแต่บุญที่เกิดจากการทําทานแล้วก็เป็นบุญส่วนย่อยเราทำร้อยหนึ่งนึงเราแบ่งให้ก็ได้แค่หนึ่งเซี่ยวเท่านั้นเองหนึ่งในร้อยเท่านั้นเองเป็นเหมือนเงินให้ขอทานก็เขาไม่อยู่ในฐานะที่จะรับได้มากไปกว่านั้น <c oughs> ให้มากไปกว่านั้นก็เหมือนแก้วเล็กนิดเดียว่เทน้ําใส่ไปมันก็ล้นออกไป เขามีภาชนะรองรับได้แค่เล็กน้อยช่ไหเขาก็รับได้เพียงเท่านั้นพอให้เขายังชีพประทังชีพไปวันวันหนึ่งช่ไหมคำถามจากคุณออยนะครับเพตใดเวลานั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วร่างกายจนหยุดหายใจคะพอรู้สึกว่าตัวเองหยุดหายใจก็ตกใ จ, จิตถอนออกมาทุกทีคือจิตไม่หายไม่หยุดหรอกเพียงแต่ว่าการหายใจของจิตมันจะช้าลงไป เมื่อจิตมันเบาลงเบาลงการทำงานของร่างกายมันก็เบาลงไปเพราะว่าไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ร่างกายต้องทําอะไรตัวที่กระตุ้นให้ร่างกายทํางานก็คือความคิดของเราคิดให้ทํานู่นทํานี่มันก็จะต้องตอบสนองคําสั่งเหมือนเราขับรถน่ะใช่ไหมถ้าเราเหยียบคันเร่งมันก็ต้องใช้น้ํามันเยอะอะไรเยอะรถก็วิ่งเร็วขึ้นถ้าเราปล่อยคันเร่งแล้วมันก็เบาเครื่องมันก็เบาถ้าเราจอดอยู่เฉยมันทีนี้ไม่ดีมันก็มันหยุดไปเี้ย อันนี้ก็แบบเดียวกันเรื่องของร่างกายไม่ต้องไปกังวล น, นะเวลาเรานั่งดูลมมันก็ดูไปมันจะไม่หายใจก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีสติรู้อยู่มันไม่ตายหรอ mm. กเราก็มีสติรู้ไปเรื่อยๆว่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจ mm. พอตอนนั้นร่างกายมันก็มันมันมันจะพักมันจะไม่หายใจมากมันอาจจะหายใจครึ่งนาทีหายใจสักครั้งอย่างเงี้ย mm. หรือสิบวินาทีหายใจสักครั้งก็ไม่เป็นไรมันไม่ตายหรอก แล้วเวลาจิตสงบเราก็ทิ้งร่างกายไปเลยชั่วข่าวแยกออกจากร่างกายไปไม่รับรู้เรื่องของร่างกาย mm hmm. ยันอย่าไปตกใจเพราตกใจแล้วจิตมันจะถอนออกมามันก็มันจะเข้าได้เข้าเข็นหดเ mm hmm. พอตกใจก็เลยไม่ยอมสอดเข้าไปมันก็เลยไม่เข้าเ mm hmm. นะี่ยเปนพยายามประคับประคองสติไว้ให้รู้เฉยเฉยไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีลม แล้วตอนนี้ไม่มีลมแล้วก็รู้อยู่กับการไม่มีลมเนี่ยไา่ไม่มีลมก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้รู้กับการไม่มีลมไปอย่าไปคิดอย่าไปตกใจอย่าไปวิภาควิจารเฮ้ยไม่หายใจแล้วตายหรือเปล่า mm hmm. ตาขี้นี้จิตมันจะถอนออกมาจิตมันจะหยาบขึ้นมันกําลังละเอียดกำลังจะเข้าสู่การสงบคําถามสุดท้ายประจำวันน<อ>ี้นะครับแต่คุณสุขา ว, วนะครับเวลานั่งสมาธิลักจิต เริ่มสงบมักจะเห right now, ็นภาพที uh ่ทําให้เศร้าใจเสียใจเพราะอะไรคะแม้ไม่ได้นึกถึงเหตุการณ์นั้นแต่ก็ยังเห็นอยู่เพราะอะไรคะก็มันเป็นของที่เราเคยเคยถ่ายมาเราไปทําอะไรมาเนี่ยเราจะเหมือนกับไปถ่ายวีดีโอเก็บไว้ในใจเราพอเวลาเรานอนหลับในเวลาจิตสงบนี่ของพวกนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาได้เช่นเรานอนหลับถ้าเรานอนหลับฝันดีก็แสดงว่าเราไปทําแต่สิ่งที่ดีมา พอเวลานอนหลับสิ่งที่เราไปถ่ายมาสิ่งที่เราทํามามันถูกกัดไว้ในใจเราพอเรานอนหลับมันก็มาฉายใหม่ให้เราดูความฝันนี้ก็เป็นเป็นการเอาของที่เราไปทํามานี่มาฉายให้เราดูหนอยแลาจจะมีการปรุงแต่งเสริมนิดหน่อยของใจเองเนื้อเช่นเดียวกับถ้าเราไปทํำบาปทำอะไรมามันก็จะฝันลายมันจะฝันกลับกันอ่ะเคยไป เขาไปทำร้ายใครก็ไว้พอมาฝันไม่ไฝันว่าเขากลับมาทำร้ายเราอันนี้เป็นเรื่องที่เราสะสมไว้ในแต่ละวันไงท่านถึงสอนว่าให้ทําดีอย่าไปทําบาปเวลานอนหลับเราจะฝันดีอย่าไม่ฝันร้ายตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขถ้าเราทําความดีไม่ทําบาปนี่คือธรรมชาติของใจเรามันเก็บไว้ทุกอย่างเหมือนกับฮาร์ดดิสในคอมเราเนี่ย เราไปทำอะไรไว้เรบเซฟอะไรไว้มันก็จะเก็บไว้หมดเลยยังเราไปทำอะไรนี่เราเราไม่ได้สั่งให้มันเซฟอบบมันเซฟโดยอัตโนมัติเลยแล้วเวลามันจะมันจะโผล่ขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่สามารถไปยับยั้งมันได้อะไรโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเออมันเป็นผลของวิบากที่เราทำถ้าเราไม่อยากจะไปดูมันก็เราก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับมันไป